ความสุขเป็นของไม่มีแต่เราวิ่งหานะแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นของที่มีแต่เราก็ปฏิเสธปฏิเสธสัจธรรมปฏิเสธสิ่งที่มันมีมันก็เป็นไปไม่ได้อะสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือทําความรู้จักกับเขาเรียนรู้เขาอยู่กับเขาเหมือนทุกคนเนะี่ยมีโรคอยู่ในตัวเต็มไปหมดเนี่ยเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิต้านทานเราดีเนี่ยมันไม่แสดงอาการ เมื่อไหร่ที่ภูมิต่านทานไม่ดีมันก็แสดงอาการออกมาเห็นพระไม่มาหลายรูปนะรูปไม่ว่าไปไหนหืขุดซ่วมพระไม่ได้ออกมาซ่วมมันเต็มที่นี่เราไม่รู้จักเทศบาลไม่ได้โทรไปหาเทศบาลมาดูดซ่วมอะไรกันทะ่นเอใช้พระอาจารย์วิปัสนา กดซ่วมกระบายออกไปมันเต็มนะหลวงตาก็ถือว่าดีดีนะพระสงฆ์เ จ, จ้าท่านก็รู้หน้าที่ตรงนั้นมันเสียหายตัว น, นี้มันไม่ดีซ่วมเต็มตัว น, นั้นตัว น, นี้เขาก็อุตส่าห์อุมานะทำแก้ไขกันเองนะโยมมีหนา้าจีเดี๋ยวมาขี่ขี่ขี่กินแล้วก็ขี่สะใจแล้วก็กลับไปพระนะองค์ไหนก็ทําได้ก็ทําองค์ไหนทําไม่ได้ก็ลาสิกขาละเพี้ยนไปนะ ทำก็ช่วยถือว่าเป็น ผ, รรผู้มีคุณธรรมผู้ทำดีมันกอดล้ตาไปดูพระอู้หนึ่งสมัยก่อนเนาะมันอุดตันเนี่ยมีรากไผ่ปูไผ่เนี่ก็แย่อย่างหนึ่งก็คือมันจะอุดตันห้องน้นําต้นใสวะเนี่ยอุดตันในท่อท่อเราเอออกไม่ได้แย่ยังไงใช้โซดาไฟใช้อะไรมันไม่โยงไม่กลัดได้มันเป็นแท่งเลย เห็นพระเขาหลวงตาบอกว่าสวมถุงมือบ้างนะเพราะขี่เนี่ยมันสกรปรกนะพระท่านขุดศัตรปุ๊บท่านจับดึงขี่นี่มันเป็นแท่งเลยยาวเลยตามท่อบางอุดตันจับดึงกระชากดึงออกมาดึงออกมาแล้วไปวางไว้ตั้งโอ้เป็นแท่งเลยในะขี่เนี่ยพระดึงมามันผสมกับรากไม้เป็นแท่งหลวงตาบอกถอยไปวะบอกให้พระถอยไปไม่มีพระองค์ไหนถอย เขาช่วยกันดีอ่ะคือไม่มีอะไรเลยชีวิตนะเขาทำดีปล่อยวางดีอะไรดีแต่เขาก็ไปล้างมือล้างมือเอาเองแต่ว่ามีความทุกข์ไหมคนที่เห็นเนี่ยขยะขยแขงมีความทุกข์คือมันไม่ทันเวลานะซื้อถุงมือมาให้ก็เพื่อจะไปหานะเขาก็จัดการเองเลยถอรถเทน้ำก็ไรจ่อจ่อไปโอ้มันเป็นเพคอนนี่เองอะไรประมาณนะั้นอุดตัน คนปล่อยวางไม่เป็นก็เป็นทุกข์คิดเยอะคิดมากแต่เราก็แบกแบกความรู้สึกอันนั้นมือเราวางแล้วนะแต่ใจเราไม่วางมันนึกเห็นภาพแล้วมันติดหูติดตาขยากะกขยแยงติดกลิ่นวะเ น, นี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็อึดอัดขัดเคืองไงแต่ที่นี่อา้าวเขาทำได้ งานหนักก็เอางานเบาก็ทํางานกรรมฐานก็ตั้งใจเงี้ยมีอย่างหลวงปู่สั่งนี่อายุแปดสิบห้าแล้วก็ยังทำํำนะด้านเข า, าตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานนั่นงานนี้วันนี้เห็นมาเอาอุจระวัวเหรอกี่กระสอบสิบแปดสอบวัดโถวันนี้ได้มาเอ า, เ อ, าอุจจระวัวสิบแปดกระสอบ เอาไปไหนเอาไปใส่ต้นไม้ตามที่เธถามเราก็โลดใส่ปุ๋ยใส่อะไรดูดินี่โอนะใส่ต้นไม้ต้นมะนาวต้นเปลยต้นอะไรใส่อืใส่รถเข็นไปไหมโอนะเวลามันง่วงท่านกระแกงง่วงแกงง่วงโดยก็ไปทํามันเป็นประโยชน์ไงแต่ที่จะนอนก็แบเอาปุ๋ยเอากระสอบปุ๋ยเอาขี้วัวพวกเนี้ยไปกับครูบาทิศเนาะ โอ้ไปใส่รถน้ำไหมอย่าลืมนะอ่าโอ้ลืมไม่ได้หรอเพรางั้นะจะทำอีกหมดวั น, นพ่อแม่าเราอยู่บ้านเนี่ยแปดสิบห้าปีเมากระสอบขี้วัวไปสิบแปดกระสอบเอาไปเป็นไหมเอาไปใส่นูน่นใส่นี่นั่นคนมีคุณภาพไม่รังเกียจหรือฮะ โอ้ไม่ลังเกียดเลยเนี่ยไม่ลังเกียดเลยนะ <L> ก็เป็นประโยชน์กับระศาสนานะอีหน่อยก็มาเดินจูกลมเป็นเพื่อนเราอีหน่อยท่านก็ไปทํางานอะไรปนระนี่ยลงไปไหรือยังจากนี่ลงไปนอนอยู่ข้างบนหรือข้างล่างลงไปแล้วเนาะพระองค์มาใหม่นั่นสูบบุรี่บ่อยหลายรุ่นท่านให้กลับไปเอืมบอกก็บอ ก, บอกหยุดไม่ได้ เลิกไม่ได้ก็คือติดไงพอติดก็เอาเลิกไปดังนั้นญาติโยมทั้งหลายชีวิตเราเนี่ยพูดอยู่อย่างหนึ่งก็คือหลวงปูท่ทําไม่ปล่อยวางท่านทำอะไรก็แล้วไปทำอะไรก็แล้วไปก็ เ, เลยไม่ทุกข์นะแต่พวกเราเห็นบางทีเราก็ทุกข์แทนบางทีเนี่ยเพราะเราไปยึดไงมีพระเซนในญี่ปุ่นนะท่านทํางานทุกวนันทุกวนักวนแบบนี้แหละเป็นเจ้าอาวาส คนทนาตุ๊ปก็เห็นว่าท่านทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันก็เลยเอาเครื่องมือทํางานท่านไปซ่อนไว้เอาจอบเอาเสียมท่านไปซ่อมซ่อนไว้ไม่ให้ทํางานท่านก็เลยไม่กินข้าวเลยวันนี้ท่านก็ไม่กินข้าวไปนิมนต์มาท่านบอกว่าผมยังไม่ได้ทํางานเนี่ยหลวงปู่ยังไม่ได้ทํางานไม่กินข้าววันที่สองมาไปนิมนต์ท่านว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานไม่มีเครื่องมือก็ไม่กินข้าว วันที่สมท่านก็นไม่มาอีกไม่ได้กินข้าวจําเป็นต้องเอาเครื่องมือไปส่งท่านพระที่ซ่อนไว้นะบังดีอยากให้ท่านพักผ่อนหนึ่งท่านไม่กินข้าวเลยท่านว่าไม่คนไม่ทํางานก็ไม่สมควรกินข้าวใช่ไหมและท่านจะทำของท่านแล้วท่านก็นมากินปกตินะก็ทําให้พระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายนี่เสะอึกไปเหมือนกันอนะ่ะไม่ทากฟังท่านพูดแล้วท่านสแสดง ชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ความสุขวันนี้อย่าคุยเรื่องความสุขสามระดับสุขสามแบบแต่ในคําสอนพุทธศาสนาอะนะเนลวลาเราสวดสว ด, สวดทุกวั น, ท, วนทุกวันเราเ้าก็เห็นเ อ, อบทสวดเรามีในคันติกถาอนะไปไล่ไล่ดูโอ้มันมีอยู่ประมาณสามแบบเนาะเลือดจะมากกว่านั้นแต่จริงจงก็คือสามมันแหละคนทั้งหลายแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่คนทั้งหลายมีเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่หมายถึงผู้รู้นะผู้รู้ผู้ที่เขารู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงเรียนรู้ตามแบบฉบับของมิปัสนาเนี่ยเขาจะรู้ความสุขมันมีประมาณเนี้พูดเมื่อกี้ว่าขึ้นเกล่นหัวว่าความสุขมันไม่มีมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ทุกข์สมุทัยนิโรธมรร มีทุกขโมหะใดนีโรธมะไม่มีสุขนะแต่ในวิธีปฏิบัติธรรมมันจะมีนะโอภาสยานปีติปัสสติสมาธิสุขมันมีปีติสุขเนมันมีความสุขอยู่แต่สุขในสมาธิภาวะอันเนี้ยแต่ไม่ได้สุขเพราะข้างนอกความสุขในเบื้องต้นแบ่งเป็นสองระดับคือสุขที่เรียกว่านิรามิตรสุขกับอามิตรสุขอามิตร อิงอามิตรนะอามิตรก็คือสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายใจที่กระทบผัสสะภาษาพระเขาใช้คําว่าเวทนาเรียกว่าเวทนาสุกเวทนาเป็นความพอใจทุกเวทนาเป็นความไม่พอใจมันเป็นเวทนาแนละ้วมันไม่ใช่ความสุขเป็นทุกเวทนาที่ทนยาก สุขเวทนาเนี่ยถ้าคนไหนที่พอใจแล้วสจะถือว่าเราติดอารมณ์เสยอารมณ์แต่ในแง่ของพุท ธ, ธะเนี่ยเขาถือว่าเป็นเวทนาที่พอทนได้สุขเวทนาคือเวทนาที่พอทนได้ทุกขเวทนาเนี่ยเวทนาที่พ้นยากเราเกิดมาเป็นรูปร่างหน้าตาสังขารแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเรื่อยๆ มันเป็นสภาพธรรมเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนันความเปลี่ยนแปลงไปในมันเปลี่ยนแปลงไปอาการของมันก็คือทุกข์บางคนเปลี่ยนแปลงไปใจช้าทนได้ง่ายแต่บางคนทนได้ยากบางคนอาจอายุอาจจะไม่ยืนถึงแปดสิบห้าปีอาจจะอายุอายุไม่ยืนไม่ถึงอะไอ้อความเปลี่ยนแปลงในทําให้เกิดทุกขเวทนามากมายแต่ของหลวงปู่ทุกขเวทนาน้อยมันค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ค่อยผุพังอ่ะ ตาดีหูดีความจำยังดนะีฟันไม่ค่อยดีไม่ดีเฉพาะฟันนะเพราะว่าสมัยเป็นหนุ่มเป็นเด็กชอบฟ้าลั่นนะนะเคี้ยวเม็ดมะขามนะปุ๊บตักทุ๊บักแก่แล้วมาปฏิบัติธรรมก่อนหน้านี้ก็ชอบใช่ไห ม, นะไมชอบอยู่เคี้ยวอมแช่น้ำกินติดชอบชอบนะ แต่ก่อนหลวงปู่สังติดสูบบุหรี่จัดเนาะจัดนะสูบตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบห้าปีเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตอนเป็นเบานะเป็นเบาเป็นหนุ่มสูบสิบห้าปีหยุดเมื่อปีไหนตอนมาบวชนี่นะองตาให้เลือกเลิกเลิกเลิกตอนมาบวชนี่ไหเจ็ดสิบหกปีเลิกสูบลงทุนมาเยอะเนะนะ แต่ท่านก็เลือกได้มันติดไงมันเป็นยังไงถึงติดอร่อยหรือฮะโอ้ตะกอนสูบใบตองมาสูบหนังสือพิมพ์แล้วก็สูบถุงพลาสติกตามลำดับนะฮะโอ้ตองคัว้วอะไรไหมแล้วก็มาสูบถุงปูนซีเมนต์นะสูบตามลำดับไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยติดมากกว่าญาติโยมทั้งหลายโยมข้างนอกเขาไม่ติดป่านนี้นะ ของเราเนี่ยนะแต่ก่อนใช้ใบตองใบกล้วยไปอะไรนี่นี่มาคือมันยึดติดนะ่ะแต่พอปล่อยวางไม่ใช่สุขแต่มันไม่ทุกเนาะมันปล่อยได้วางได้ชีวิตเนี่ยฉนั้นสุขแบบหนึ่งคืออิงอา mith อิงรูปรสกลิ่นเสียงอันหนึง่งนิรามิตรสุขเนี่ยคือมันไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงคือหยุดปุ๊บมันก็สบายขึ้นมานิรามิตรสุข อาจจะหมายสุขตั้งแต่สมาธิไปจนถึงนิพพานในคำสอนของพุทธศาสนาในหลักของคันติกถาเนี่ยเขาแสดงเอาไว้อยู่สามประเภทอัพยาปชังสุขขังโลเกปานาปูเตสุสัญญโมการสำรวมในสัตว์ทั้งหลายการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลก อพยาปชังสุขขังโลกเกการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นความสุขในโลกนี้เดี๋ยีกคนมันเบียดเบียนกันเบียดเบียนเขาก็เรียก ว, ว่าธรรมทุจริตทางกายกายทุจริตค่าสัตว์กายทุจริตสามเมจีทุจริตสี่มโนโทุจริตสามทางกายก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์รเอาผิดปิดใจกามทําชั่วทางกายแล้วก็ ดื่มสุราเนี่ยทางใจหรือทางกายทางกายนะวจีทุจริตพูดปดพูดคำหยาบพูดสำราเพเอื้อเจรของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเป็นว่าพูดความจริงสิ่งที่ไม่จริงไม่พูดทั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดออกมาเป็นความจริงถ้าไม่จริงท่านไม่พูดในความจริงอันนั้นดยเนี่ยยังมีข้อแม้อีกว่า ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับคนไม่พูดความจริงก็ตามถ้าไม่เป็นประโยชน์จะไม่พูดของเรานี่พูดพรมเลือในพูดความจริงเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกกาละเทศะพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดนั้นการพูดของท่านจะคำหนึงถึงสัจจสภาวะสามอย่างหนึ่งเป็นความจริงสองมีประโยชน์สามถูกกาละเทศะพูดปดพูดคําหยาพูดส่อเสียด มุสาวาทาสัมผัสปราปาปิสุนัยวาจาพรุษวาจาคําหยาบผิดศีลส่สอเสียดผิดศีลสําหรับเพื่อเจอผิดศีลโกหกส่อเสียดคือทางโลกเนี่ยเขามีอยู่อย่างเดียวคือมุสาวาทาเว ร, รมณีสิกขาปะังสมาธิยามิมุสาคือห้ามโกหกแต่ถ้าผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมีอยู่สี่ข้อศีลข้อสี่มีสี่ข้อ ห้ามพูดปดพูดคำยาพูดส่อเสียดส่อเสอเียดแทงใจกันเนื้อก็ทำให้คนติดอารมณ์ทาให้คนเป็นทุกข์ไม่ควรทำมันเป็นการเบียดเบียนเนี่สำหรับเพอเจอร์ไปตามเรื่องตลกโบกฮาสนุกสนานไร้สาระเป็นการผิดศีลนักปฏิบัติธรรมคือไม่สามารถที่จะมีภาวะมีสามาธิมากขึ้นได้ปัญญาเกิดขึ้นได้มีนะักแสดงตลกนะ ไม่ใช่สามชาตินะตำหลกไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทําให้คนให้โลกนี้เพลิดเพลินเนี่ยตายไปแล้วข้าพุทธเจ้าจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นไหนพระพุทธเจ้าตอบว่าตกนรกผู้ทําให้คนเพลิดเพลินเนี่ยทําให้ติดตเพลิดเพลินคือไม่ได้ทําให้จิตเขาเป็นสมาธิไม่ไทําให้เกิดปัญญานะเป็นความเพลินเนี่ยเป็นทําให้ตกนรก ฉันอะไรจำไม่ได้ฉันพวกจัดแสดงละครนนุนนี่ตกนรกโม้ทําให้คนตกนรกตัวเองก็ตกนรกนะละจากโลกนี้ไปเนะี่ยเพราะอะไรเพราะไปการเบียดเบียนเขาให้ออกนอกพื้นที่ของอริยมรรคเคยได้ยินมรคนิพานคนทั้งหลายไม่ได้อยู่ในมรชีวิตเนี่ยไม่อยู่กับความรู้ความตื่นความเบิกบานความโปร่งความโล่งอันนี้ แต่อยู่กับความคิดความปรุงแต่งวันหนึ่งอยู่กับอดีตอนาคตซึ่งหาสาระไม่ได้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นด้วยถามว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขคนใดก็ตามถ้าไม่เบียดเบียนกันเลยกันเนี่ยอัพญาประจังสุขขั้งโลเกกันสํารวมกันไม่เบียดเบียนกันได้กันเป็นสุขในโลกส่วนมากชีวิตถ้าพูดในแง่ของปรัมมัติเนี่ย เราเบียดเบียนตัวเองจิตมันควรจะอยู่ภาวะปกติแต่เพราะอาวิชชาเพราะความไม่รู้เราก็เบียดเบียนจิตเราให้ทะลายออกนอกเส้นทางมันออกนอกเส้นทางทำไหมทำเราเคยได้ยินนะทํานองคลองทำคลองนะคลองทำอยู่ในคลองก็ไม่มีปัญหาจิตก็เหมือนกันนะถ้าอยู่กับความปกติความรู้ตัวทั่ ว, วพร้อมอยู่ความทุกข์ก็ไม่มีอันที่มีความทุกข์นี่ยเพราะอะไร เพราะมันออกเนตเส้นทางธรรมไงนั้นสิ่งที่เราจะควรส่งเสริมปลูกฝังแนะนําซึ่งกันและกันก็คือทํายังไงจิตเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมมีนะมีเส้นทางสาัมถะมีเส้นทางวิปัสสนาอีกนะถึงแม้จะทําสมาธินะทำตามรูปแบบเพื่อต้องการอยู่ในเส้นทางธรรมก็อยู่กับความปรุงแต่งหรืออยู่กับความหลงก็มีอ หลงอยู่ในสมาธิหลงอยู่ในปีติบางทีก็หลงอยู่ในความสงบนิ่งสบายแต่ความสงบนั้นอ่ะเป็นอุปสรรคในการเกิดวิปัสสนาหลายๆคนหลายแห่งหลาย ๆ, าย ๆ, ายๆที่ที่เขาไปปฏิบัติทำวิปัสสนาทำเกิดเกิดปีติเกิดนิมิตเกิดนั่นกนี่ขึ้นมาแต่ทุกข์ก็ไม่ได้ลดไม่ได้ละอิ่งเดชตัณหาทิฏฐิมาละไม่ได้เบาบางลง มันไม่ได้เบาบางมันไม่ได้เกิดปัญญามันยังวางไม่เป็นวางไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของมันเองนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยให้รู้จากทางทางก็คืออย่างเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเดินนะประสูติเดินให้เจ็ดเก้าคาว่าประสูติคือการเกิดปัญญาทางจิตตัว น, น้อยๆคนเกิดมาเนี่ยมันประสูติไม่ได้แต่จิตเนี่ย พอมันเห็นเส้นทางเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเขารู้จักเส้นทางพอเส้นทางจิตมันจะวิ่งอยู่ในเจ็ดสภาวะอาการเขาเรียกว่าเดินได้เจ็ดเก้าคือสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัตสติสมาธิอุเบคา4จสภาวะมันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้เดินไปเนี่ยรู้สึกตัวสังเกตขยันทำเกิดความโล่งความโปร่งปีติเกิดความสงบ เกิดสมาธิสมาธิในพุทธศาสนาจะมีลักษณะสามคือสมาฮิโตปริสุทธโธรก ร, รมมรันิโยบริสุทธผ่องใสตั้งมั่นและว่องไวว่องไวต่อการรับรู้เนี่ยิบิก ร, รมมรันิโยว่องไวไม่ใช่นิ่งนะทีนี้สมาธิอันนี้มันจะทนต่อการกระทบส่วนมาเรามีสมาธินะี่คืออะไร สมาธิเนี่นเกิดปีติเกิดเอิบอิ่มเกิดโล่งเกิดโปร่งเกิดสบายแต่ว่ามันเป็นปิติพอมันจะมาเป็นสมาธิหน่อยมันไม่เปลี่ยนให้พอจะมาถูกไาว่าเป็นสมาธิกะทบเอาหลุดแล้วเนี่ยกระทบหลุดมันหลุดเนะี่ยมันไม่ตั้งมัน่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของใจคนปฏิบัติธรรมต้องมีจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นต่อรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบผัสสะ นั่นก็คือสมาธิอันนี้ก็คือต้องมีปัญญานั่นแหละปัญญาคือตัวอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าแปลว่าเห็นตรงที่มันเกิดไม่ใช่แปลว่าวางเฉยนะอุเบกขาอุปะบวกอิขะอิขะแปลว่าเห็นแปลว่าในตาอุปะบอิขะก็เป็นอุเบกขาอิขะธาตุในความเห็นคือเห็นมันเกิดมันดับเฉยต่อการเห็นเนี้ย เวลาเห็นปุ๊บก็เห็นมันดับไปเห็นแล้วมันดับไปเห็นแล้วไม่เขาไปยุ่งกับมันเขาเรียกว่าเอเบขาแต่คนส่วนมากไม่เห็นอยู่กับความสงบเลยแต่มันเข้ามามันเกิดมันดับยังไงไม่เคยเห็นมันนั้นมันก็ไม่ใช่ทางของมันถ้าจิตอันไหนที่เดินตามทางนี้เดินในเจ็ดเก้านี่กลับไปกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเดินบนดอกบัวเจ็ดดอกนั้นคนมีสภาวะทำมันนี้เกิดขึ้นในใจเนี่ยนั่นแหละ เขเรียกว่าคนได้เกิดแล้วได้ประสูติแล้วก็คือคนได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยในเบื้องต้นก็คือต้องเกิดดวงตาเห็นธดำต้องได้ดวงตาเห็นธรรมต้องมีสภาวะธรรมปรากฏเกิดขึ้นต้องได้มีความรู้ตัวทุ่วพร้อมเกิดขึ้นมีคนถามมาเนี่ยหลวงตาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารู้ตัวรู้ได้ยังไงว่าเรารู้ถูกอา้าวก็เลยบอกว่า เคยตักน้ําใส่ขวดไหมเคยรู้ได้ไงว่ามันเต็มมันล้นออกมาเอื้อยงั่นแหละไอ้ความรู้สึกตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราทำความรู้สึกตัวรู้มากเข้ามาเขารู้ตัวนี้เรากําหนดรู้ตัวนี้แต่เวลามันรู้ตัวทุกพร้อมมันเป็นเองอัตโนมัติะสติที่มันเป็นเองมันจึงจะรักษาชีวิตเราได้แต่ถ้าเรายังรักษาสติอยู่เหมือนต้นไม้ในเราลดอยู่มันก็ยังไม่เป็นดอกเป็นต้นะเราอาศัยลมเงาก็ไม่ได้ผลละหมากร่างไม้ก็ไม่ให้เรา เรารักษาทำทมจึงจะรักษาเรานะฮทีแรกเราก็ดูแลสติก่อนแต่พอเมันเกิดตื่นตัวรู้ตัวขึ้นมาเราจะรู้ได้ตัวเองโอ้แบบนี้ก็มีเนาะอย่างนี้ก็เป็นมันเกิดสติขึ้นมาเกิดสัมปชัญญะขึ้นมามันรู้เองของมันเองอะ่ะทุกเวลามันหายไปมึงโอ้มันหายไปเลยอะ บางคนค่อ ย, อยพินิษ์พิจารณาพอมีสติก็เออาศัยการพิจารณานำนาจก็ค่อยดีขึ้นแต่บางคนพอรู้สึกตัวทุกพร้อมมวลาเน้ำใสเนี่ยวเวลาเขาเย่าเขาเย่ามันเนี่ยเขเย่ามันเยอะเยอะเสร็จปุ๊บเทน้ำลงไปเทน้ำลงไปเวลาน้ำเต็มล้นเนี่ยมันจะพาตะกนอนนองด้วยพาตะกอนเอาความสกปรในนี้ออกไปแต่ถ้าหยดทีลรน้อยลนน้อน้อยอยยเมื่อเราทำอยู่ที่บ้านทีรน้อยมันไม่ออกให้ นี่มาทำเต็มที่เลยเจ็ดว่นใส่เต็มที่เวลามันล้นมึงจะล้นออกเลยมันขุนก็ช่างมันใจมันนะแต่อย่าหยุรู้สึกตัวเหมือนกันน่ะเวลามันแจ้งมันสว่างแต่ละทีนี่เฮ้อความโกรธก็ไม่ค่อยมีละงุนหิดก็ไม่ค่อมีพอมันออกไปเออความง่วงก็หายไปมันจะเริ่มนำพาด้วยนั้นอย่าไปห่วงว่ามันคิดมากนะแต่ว่าอย่าลืมใส่ความรู้สึกตัวนี่เข้าไปให้เยอะๆนะความทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นอย่าไปทุกข์กับมัน ถ้าไม่ทุกข์กับมันเดียวมันก็หายไปถ้าไม่ทุกข์กับมันเหมือนเราชำระใจเราแหละมันทุกข์ก็อย่าไปทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไปทุกข์กับมันก็ติดอารมณ์อีกแล้ติดอารมณ์มันก็คือเอาทุกข์มาใส่ใจเราเองฉนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปอยู่กับความทุกข์อย่าไปอยู่กับความปรุงแต่งแต่ไม่ให้มันเกิดได้ไหมมันไม่ได้มันก็เกิดแบบนี้ของมันแหะธรรมชาติมันเราจะชำระล้างมันถ้าล้างออกไปเห็นความสุกปรกไหลออกก็ช่างมันกระทิ้งมันไปอย่าไปสนใจ แต่อย ห, หยุดทำความรู้สึกตัวเติมน้ําใส่ให้เยอะๆอดเข้าไปอ่ะถ้าเราทําอย่างนี้นะสติมันเต็มเพราะสติมันเต็มมันจะทําหน้าที่วิเยาะทนันทีะสติมันเริ่มโตขึ้นเป็นหน้าที่ธรรมวิญญาณพอวิญญาณมันจะกล้าสู้กับอารมณ์ที่แข็งแขนะ็งน่ะแต่ก่อนไม่เคยผ่านความง่วงเลยก็จะผ่านไม่ได้เคยผ่านความเบือ่อมันก็จะผ่านความเบือ่อความหนายความคิดความปรุงแต่งความอะไรมันจะเริ่มผ่านไปเลยๆนี่คือ นี่คือพัฒนาการของสติที่มันเริ่มโตขึ้นเมื่อมันโตขึ้นมันจะทํางานเอาทุกออกจากใจเราแต่ถ้าสติได้น้อยได้แต่รู้ตัวนี้นิดหน่อยเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นเองเนี่ยมันไม่ทํางานมันไม่เป็นสติเป็นธรรมวิทยะปิติปัตสติสมาธิไปเนี่ยมันไม่โตขึ้นมันไม่ชําระล้างใจนั้นต้องให้มันโตขึ้นว่าสติมันโตไม่ปฏิบัติทำเนี่ยมันเกิดเป็นสัมปชัญญะไม่เกิดภาวะรู้ตัวทั่งพร้อมขึ้นมาไหมมันไม่รู้ให้แค่รู้สึกตัวนี้มันก็ยากแล้วเนี่ย ตัดความคิดออกแต่ละวันแต่ล ะ, ละนาทีนี่ก็ยากลําบากมันไม่ออกไงนั้นมาทําอันนี้ทําให้มันออกเขาบอกว่าถ้าจะให้มันออกนี่คือเราต้องรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องอันเนี้ยต้องทําความรู้ตัวนี้ให้ต่อเนื่องรู้ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเรากินข้าวเนี่แหละกินทุกวันทุกวันกินต่อเนื่องเดี๋ยวเราก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะกินให้โถกกินพอดีด ก, กินไม่พอดีคือมากเกินไปคือไปเพ่งไปจ้องมันก็ยากอยกะ่ะ กินพอดีกินแบบสบายสบายมันก็เป็นของมันเองเหมือนกันทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักเคล็ดลับว่านี่คือพุทธโอสถแต่นั้นพวกเราทั้งหลายนะฝึกสติต้องตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าให้มันเดินได้เจ็ดเก้าเดินตามรอยพระพุทธบาทรอยพุทธบาทไปตรงนี้รอยพุทธพุทโธไปตรงนี้ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ถือว่าเราอยู่ตามครองธรรมเราไม่ได้เบียดเบียนชีวิตตัวเราเองเดี๋ยวนี้เราหลงทางอ่ะเมื่อก่อนมันอยู่ในนี้ในทางอันนี้พุท ธ, ธะคืออยู่ตรงนี้แต่นี้เราเบียดออกไปเรื่อยๆเืยจนว่าตกขอบไปจนเราหลงทางกลับมาหาตัวปกติเราเนี่ยเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมโ็ดวันยังเข้าสู่เส้นทางไม่ได้นะขนาดบอกให้นะัะอา้าวมีพาสเวิร์ดนี่นให้เนี่ยกด ไม่ได้เข้าไม่เป็นนะนะรหัสมันยังไงเข้าไม่รู้เรื่องกดตนน้นมั่วไปหมดเลยไม่มีแต่คิดมีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่ปรุงแตง่งนะมันเข้าไม่เป็นเลนะฮัลต้องมาอันนี้มันเป็นรหัสชีวิตอันเนี้ยสติเนี่ยเริ่มตรงความรู้สึกตัวเริ่มตรงสตินี้แต่ถ้าไปเริ่มตรงสมาธิแล้วไม่ได้ละเออเลอร์ทันดีนะยากใส่ใจมากๆ กับการจะไม่เบียดเบียนชีวิตตัวเองการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเนี่ยเรารู้ง่ายๆนะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้แต่เ บ, บียดเบียนตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้มันไม่ค่อยรู้นะการเบียดเบียนตัวเองเนี่ยดูไม่ออกไงแต่จริงๆถ้าคนไหนก็ตามถ้ายังเบียดเบียนตนเองอยู่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่เบียดเบียนคนอื่นมันเป็นธรรมชาติเรายังไม่พอไงเราก็ต้องเอาจากคนอื่นมาเติมเต็มให้กับชีวิตเราเหมือนคนทํางานเนี่ยทําโครงการนึงโครงการนี้เนี่ย มันยังไม่เห็นสัจธรรมยังไม่รู้จักตัวตนของตัวเองดีพอเนี่ยเดี๋ยวได้เปอร์เซ็นต์น้อยได้เปอร์เซ็นต์มากนะกนินนั่นกนินนี่สารพัดแต่มันจะเป็นเนี่ยคือปัญหาละ่ะไม่ตางแต่ทำงานกับหน่วยงานราชการนะรตรงฐานประหยัปฏิบัติธรรมเนี่ยหน่วยงานราชการกลุ่มนั้นก็มาปฏิบัติธรรมงบเขาได้มาท่านั้นปุ๊บมันก็จะมีเนะี่ย มัตนตกลงกันว่าเป็นแบบนึงค่าอาหารค่ากับข้าวแต่ว่าปฏิบัติมันจะต้องกินนะ่ะตรงนั่นตรงนี้ค่าประชาสัมพันธ์ห้าพันเนี่ยนะค่าโทรศัพท์สองพันค่าติดตอ่อประสานงานค่านำ้ำมันรถสาลรพัดก็เลยบอกโยมไม่ต้องให้ก็ได้แต่ทำามไม่ได้ทุกหรอกแต่ ท, ทำไมสงสารโยมโยมทําไมงกอย่างทําไมไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักว่าอะไรเหมาะอะไรสมอะไรมีแต่กินแต่บุดตะพือ้อย่างไร นะเอามาเลี้ยงข้าวให้คนกินเนี่ยไม่ดีกว่าหรืออะไรไประมาณนั้นดงนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าหากว่าเรายังไม่พอยังไม่รู้จักตัวเองเป็นรูปเป็นนามจริงๆเนี่ยเราไม่เ่อยไม่วางมันจะกินทั้งหมดทุกอันนะเกี่ยวข้องอะไรกินหมดอยู่ข้องกับงานในงานที่ดินก็กินที่ดินกับคนไม้ก็กิกนกนไม้เนี่ยนะงานงบประมาณก็กินงบประมาณเนี่ยหมดเลยอะ่ะไม่เคยเห็นว่าเป็นเรื่องตลกเขาไปทํางานเพื่อประชาชนเนี่ย แล้ไม่มีร้อนะเอาคนมีกิเลสไปทำมันก็ต้องทําแบบมีกิเลสคนเามีความอยากมากมีความอยากเยอะอย่าว่าเลยว่าจะกินไม่ได้เอาปอบงอมาให้มันมานะ่ะมันก็มีวิธีของมันอยู่ดีอะ่ะเพราะมันมีความโลภในใจมันไม่รู้จักธรรมะในตัวเองความเบียดเบียนก็เกิดขึ้นนะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนพ่อแม่เบียดบีงสังคม มันนี้ก็เบียดแล้วก็บังตรงนี้เนี่ยช่อราดบังหลวงอย่างเขาเรียกมัาเป็นธรรมชาติของคนไม่รู้จักสัจธรรมมันต้องไหลาตามกระแสเบนไว้แต่ว่าคนนี้จะได้ความสุขอันเกิดจากชีวิตตัวเองมันมีความสุขละปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นตัวเองมีความสุขมีความสบายเราก็ไม่ได้หาความสุขจากคนอื่นไงเราไม่หลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ เรามีสมาธิเอากลับบ้านปฏิบัติทำอยู่กับใจว่างๆโปร่งๆไม่มีต้องมาคิดวิ่งว่อนแสวงหาโน่นและนี่ตอนเย็นออกไปกินข้าวออกไปกินอาหารการกินไปกินขนมนมเน่เอยออกไปเล่นไปเที่ยวแสวงหาความสุขทางตาตาหูมันจบไปแล้วนะเพราะมันเข้าใจชีวิตไงทีนี้การจะเข้าใจชีวิตเนี่ยคุณต้องมีสติในการที่จะมองเห็นตัวเองจริงๆอ ที่ไม่ไหลไปตามความคิดถ้ามันยังไหลตามความคิดอยู่เวลาออกไปมันก็ต้องไปกับความคิดมันยังไปกับความปรุงแต่งอยู่ออกไปมันต้องเป็นเนี่ะเว้นไว้แต่ว่าได้อารมณ์อย่างนี้กขาว่าเออมันเริ่มมองชีวิตด้วยจิตที่เป็นสมาธิจิตมันเป็นสมาธิตั้งมันเห็นตัวเองเห็นความไม่ปรุงไม่แต่งเห็นความปรุงแต่งเกิดดับเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความอยากความโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะมันเกิดมาแล้วโอ้ที่ผ่านมามันไหลไปตามมันนี่หว่า เราเห็นเห็นมันแล้วก็หยุดได้อ๋อมันปกติความปกติของชีวิตเป็นแบบนี้นที่ผ่านมาเราเป็นทาตมันเนี่ยพอเห็นพร้อมกับการหยุดได้เนี่ยชีวิตเริ่มมีมุมอมองใหม่ละมีมุมม อ, มองใหม่ที่เห็นตัวเองอ่ะมันเริ่มเข้าใจอดอันนั้นก็ได้ทนอันนี้ก็ได้หลายหลายคนนะติดเหล้าติดบุหรี่มาปฏิบัติธรรมพอเข้าใจชีวิตขึ้นมาหน่อยโอ้จริงๆงางการเป็นทุกข์อยู่แล้ว มันทุกข์อยู่แล้วมันเน่ามันเหม็นอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วไมเราต้องไปเผามันอ่ะต้องไปทํา้ายมันเราคิดเราเข้าไปเป็นโรคเป็นปัสสาวเจ็บเสียเงินยังต้องไปหักเสียค่ารักษาตัวเองอีกทําทําไมอ่ะทําทําไมทําเพราะจิตไม่ดีไงมันคิดโน่นคิดนี่แเราอดทนไม่ได้ก็ต้องไปไหลตามความคิดแหนะอ้าวพอเราห้ามได้ความคิดมันไม่มีความคิดเนี่ยวันนี่ยที่อยากกินอยากทุกข์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ปล่อยวางล่ะ เครื่องสําอางหรือเสื่อมสวยหรือเอามาทามันทําไมไปประดับตกแต่งมันทําไมเอามาทาทำไมอ่ะมาเสริมมันทําไมร่างกายมันต้องการหรือไม่ได้ต้องการแต่สิ่งที่ต้องการคือจิตเราจิตเรามันคิดถึงไงมันไม่ปล่อยไม่ว่างนะมันไม่ได้มองชีวิตที่จิตเนี่ยมันมองที่หน้าตาแล้วมันก็มองว่าจะเอาหน้าตานี่เอาความสุขจากคํายกย่องสรรเสริญคนอื่น จะเอาจากราคะที่คนอื่นเกิดกับเราเพราะเรามีราคะอยู่ในใจใจมันก็แสวงหานนั้นถ้าสติมันมีสมาธิมันมีมันสามารถล้างพวกนี้ออกไปจากใจได้โอ้หรืออย่างน้อยก็รู้จกักฝึกฝนอดทนต่ออารมณ์ที่กระทบเนี่ยเริ่มมีสติละเริ่มมีหลกมีห ล, ลีกแล้เหมือนมวยเมื่อก่อนเ น, นมีแต่เขาตีเอาตีเอาตีเอาแพ้ตลอดแต่ตอนนี้ก็เริ่มชํานาญขึ้น เริ่มหลบเป็นหลีกเป็นถูกเขาตบเขาตีอยู่แต่น้น้อยแต่รู้จักว่ามีหมัดสวนละเดี๋ยวเนี้ยต้มขึ้นไปนะแต่ก่อนมีไอ้อัตตาตัวตนบางคนก็ไม่กินเหล่าไม่เมายาไม่นอนไม่นี่แต่ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยเห็นไหมหูดีกว่ามึงมึงดีกว่า ก, กูมึงไม่ดีเท่ากูกูมีศีลมากมึงมีศีล น, น้อยนี่นะเขาเรียกวา่าศีลรัปตาปรามาธศีลรัปตาปรามาธถือศีลแบบกดข่มคนอื่น แบบลูกๆคำๆแต่ดับทุกข์ไม่ได้นะมันพอเป็นพิธีเนี่ยทําอะไรพอเป็นพิธีเนี่ยเขาเรียกว่ามันผิดทางต้องทําให้มันมีสติแท้มีความลึกรู้วยแท้สติสัมปชัญญะปัญญาเราเนี่ยอยู่ตัววะตรงนั้นนั้นพอเรามาใส่กับชีวิตแล้วโอ้ครองชีวิตมันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยครองชีวิตนี่เป็นอย่างนี้นี่เองไปฝึกมาแลว้วกินน้อยนอนน้อยนะปฏิบัติ อ ก, ก็ทํำได้เนี่ยมียายคนหนึ่งกำลังป่วยเนี่ยแกไม่เคยกินข้าวเย็นกินอาหารมื้อที่สามแกไม่กินมามวันนั้นว่าสิบปีแล้วมั่งสิบกว่าปีแล้วไม่กินข้าวเย็นนะกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเมื่ที่ข้าวเช้าก็มากินที่วัดข้าวเที่ยงก็ไม่กินเลยเลยตอนเที่ยงสบายสบายชีวิตแต่ก่อนไม่มีใครสอนไม่มีใครบอก ก็ อ, อร่อยตามเรื่องนะแต่พอปฏิบัติธรรมก็เปลี่ยนไปพอเข้าใจมากขึ้นนะมันไม่มีอะไรเอาเวลาอะไรไปเดินจกกุกรมไม่มาเสียเวลาตอนเย็นเนี่ยกับการกินข้าวกินนะ้ำปล่อยว่างสบายๆจิตมันก็ดีขึ้นนะดังนั้นคําว่าสุขอันเกิดจากการไม่เบียดเบียนซึ่งการเล่นลกันเนี่ยเป็นความสุขในโลกนะ มันหมายถึงไม่เบียดเบียนทางความคิดทางอารมณ์ไม่เบียดบังจิตตัวเองด้วยที่จริงเนี่ยจิตมันจะสว่างอยู่แล้วแหละชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าจิตนี้ถูกเบียดบังจากอาคันตุกะกิเลสจริงๆเราไม่มีกิเลสเนะีนั่งอยู่เนี่ยมันไม่มีใจมันเฉยๆมันว่างๆแต่พอมันคิดขึ้นมานะ่ะเราหลงเข้าไปในความคิดกิเลสมันก็เลยเกิดขึ้นนะมันเกิดเพราะเราหลงไงเขาเรียกโมหะโมหะ มันเข้าไปในความหลงกรืหละไรไม่ทำความคิดเดองนั้นต้องให้มีความรู้ตัวถ้าความรู้ตัวตั้งมั่นดีๆตั้งใจฟังรู้ตัวจิตเป็นกลางๆรู้สึกตัวตัวเดี๋ยวมันจะโล่งๆขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันทางมันจะเริ่มปรากฏจิตนี้มันจะเป็นทางของมันถ้าไม่ขี้เกียจนะถ้าใส่ใจตั้งใจอย่าต่อต้านอย่ายอมรับอย่าอะไรรู้สึกเฉยๆเบาๆลุยเลยเขาเรียกว่าจิตมันเริ่มเป็นสมาธิเป็นทางของมัน ใส่เราพัฒนาบ่อยๆนี่แหละทางโลกถ้าวัตถุนี่เขาเรียกว่าพัฒนาแต่ถ้าทางธรรมนี่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการเฝ้าดูนะ่ะเฝ้าดูอันนี้แต่พัฒนานี่มันจะเป็นอนิจจงแต่ภาวนานี่มันไม่มีอนิจจงมันเข้าสู่สัจจสภาวะเราไม่ได้เบียดบังจิตเราเองนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเห็นตามความจริงว่ามันทุกข์แบบนี้เนาะพอเฉยกับความทุกข์ทกข์ก็ดับไป เฉยกับความทุกข์ทุกข์ก็ดับไปถ้าเฉยกับทองทุกข์อย่างคนมหาเราเราเฉยกับเขาซะมันก็ดับไปเองอะ่ะมีคนมาพูดมาคุยมาจีบมาพูดอะไรเราเนี่ยเราเฉยกับเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเองแต่ถ้าเราพูดเราคุยกับมันมันกรยาวนานกิเลสก็เป็นแบบนั้นความคิดเหมือนเมฆอะ่ะมันไหลามาแล้วมันบังตัวเรามีโยมคนหนึ่งนะมาปฏิปทาธรรมที่เป็นงดมะกี้นะ พอวันที่วันที่หกเนี่ยวันที่หกเขารู้สึกว่าอ<ม>ความคิดเนี่ยมันไม่เป็นตัวแล้วมันไม่เป็นเรื่องนะพคนี้เขามาเขาตั้งใจนะแต่มันจะรู้สึกว่ามันจะดำดำเป็นอารมณ์มื ด, มดๆเข้ามาสัหน่อย เ, อเขาตกใจวันก่อนเขาบอกนี่ทำไมมีอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็ขาก็อ่อนลงไปเหมือนจะล้มเลยเนะี่ยก็ลุกขึ้นม า, านั่งสร้างจังหวะนั่งสร้างจังหวะไป นานเป็นชั่วโมงกว่าไอ้ภาพที่ดําๆเพื่มันจะหายไปก็บอกนี่โลนตาเดินไปสอบลมไปคุยด้วยเขาก็เลยบอกว่าโอ้มันหนักมากนะเวลามันมาเนี่ยมันมืดเข้ามาเห็นมันมืดเลในใจเนี่ยเป็นก้อนดํำทะมึนมาเลยมืดเข้ามาในใจเลวผลีกได้ก็หลีกสู้มันไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆทํำค่อยๆดู อย่าสู้เขาปล่อยเขาไหลไปมันมานี่ปล่อยไปอย่าไปต้านมันเน่ยคือธรรมชาติตอนสภาวะอันหนึ่งก็คือเห็นแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ได้แต่ดูแล้วเฉยกับมันถ้าสติมันพอก็จะระเบิดได้ทดีเลยแล้วก็จุยกระจายไปแต่ถ้าไม่ได้ก็คือมันจะผ่านไปแล้วมันจะมาอีกสภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าสรุปคือให้ผมทาไงรู้ดูเฉยๆทาใหม่นะบอกให้ทําใหม่ เขาไปทํามันต่อมาก็ทํามันก็มืดมาแล้วพอถึงจังหวะหนึ่งสมาธิหลวงตาว่าทําสมาธิดีๆรู้สึกตัวมากๆรอจังหวะมันที่มันมาถ้ามันมามันไม่มาแล้วจะไปคิดขึ้นมาอย่าไปนึกถึงอาการนั้นรอมันมาอาการมันมาเรารู้สึกไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทํารอใครแต่ถ้าสติดีพอมันมาแล้วมันจะกระทบกันเองอะพอมันจะเห็นพ่อเห็นแล้วมันจะสะปากของมันเองเกิดปัญญาขึ้นมาเองเขาก็ไปทํา ก็ตั้งใจตอนเขาคว่หนวตาเดินลงไปเห็นแต่ยิ้มหลวงตาค่อยผมไม่เคยเห็นเนี่ยผมทําได้แล้วคุยเออทําได้แล้วก็รู้สึกเฉยเฉยโอ้มันมีความสุขมามันว่างมากเลยเนี่ยเขาว่าเนี่ยคือมันอยู่ที่เอาจริงอ่ะคนมาทําเนี่ยเอาจริงตั้งใจตัดตั้งใจปล่อยตั้งใจว่าอันที่สําคัญคืออย่าไปยอมแพ้กับความคิดอย่าไปยอมแพ้กับเหตุผล ที่มันปรุงขึ้นมาพยายามรู้ตัวเยอะๆเนี่ยพยายามทําให้มันต่อเนื่องความคิดเนี่ยมันเหมือนเมฆมันไหลมาที่แรกมันมาเมันเป็นทุกเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวต่อมาไม่ใช่ถนนเหมือนอาคันทูกะกิเลศมันจอนมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปพอเราอยู่ปัจจุบันชัเๆเนี่ยมันก็หายไปมันมากก็หายไป แต่ถ้าตอนมันมาเนี่มันมืดพอมันมืดเี่เราเห็นโอ๊ยทำไมจิตมันมืดแบบนี้เนาะมันเป็นความคิดแบบหนึ่งแต่ว่าคนที่จะทําแบบนั้นได้คือคนไม่ค่อยมีความคิดแล้วความคิดมันไม่ค่อยมีเนี่ยแต่มันเป็นแค่อารมณ์ลึกๆทีเนี่ยแต่ความคิดมันไม่มีไม่มีนะความคิดอดีตอนาคตที่วุ่นวายแบบที่เราเป็นเนี่ยมันไม่มีนะมันต้องผ่านอารมณ์มาหนึ่งมาก่อนมันจะไปเป็นแบบหนึ่งฉั้นหลายๆคนแบบรู้ลูบนาม บางคนก็นโมมีเอาว่ารู้อันนั้นบางคนรู้น้อยเกิดปิจิบอกว่ารู้ลูกนามมันจะมีสภาว่ามันบอกเองนะคืออารมณ์เนี้ยมันจะมีอารมณ์ที่ใกล้เคียงคืออารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่ด้วยนะมันไม่ใช่แต่เรื่องเดียวจุดไฟติดเอาผมจุดไฟติดแล้วเราบอกว่าเอาเห็นนนั้นไหมถ้าไฟมันติดมันจะเห็น น, นั้น จุดไฟนี่ยอันนั้นไม่หายไปหรืยังดับได้เไหมแจมแจ้งอันนี้ขึ้นมาผมแจมแจ้งแล้วถามว่าเห็นอันนั้นไม่เห็นในนี้ไหมมันไม่เห็นนี่ยปัญหามันเห็นตายแล้วเกิดไหมตายแล้วไปไหนเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่รู้นั้นมันก็แสดงว่ามันไม่เห็นเนี่ยมันไม่แจ้งเห็นรูปน้ําเห็นรูปน้ําเอาปล่อยวางรูปน้าเป็นไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันวางเป็นไหมถ้าวางไม่เป็นก็มันไม่รู้จริงอ่ะมันรู้ได้ในน้อย ฉันต้องทําจิตให้ต่อเนื่องความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเห็นอนิจจงให้มันชัดเห็นทุกขังให้มันชัดอนัตตาเนี่ยมันค่อยๆปรากฏหรอกตัวเนี้ยเมื่อไหร่ที่ใจมันว่างมันโล่งเนี่ยอนัตตาปรากฏนิดนึงทําไปอีกเนี่ยมารู้สึกตัวใหม่มาเลื่อนจเจริญอายะมักใหม่เนี่ยรู้ตัวใหม่เรื่อยๆเรื่เดินอยู่ในเส้นทางนี้เจ็ดเก้าเนี่นะเดินกลับไปกลับมาเนี่ย แล้วเราจะเข้าใจอภิจยายะจังสุขขังโลกเกฉันไม่เบียดเบียนการสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกอัศมิมาัสสะสภาวะที่สองเนี่ยอัศมิมาณสเอตังเวปรมังสุขขังการนำอัศมิอัศมิมาณออกหมดจะได้ เอาอัตสมิมาณะออกไปจากใจเราไม่มีทิฏฐิมาณะกับใครเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งปรามังสุขังพระปลว่ายิ่งประระไปวยิ่งไปวยสูงไปวาลึกประมังสุ ข, ขงั ง, ง, ง, ขขงเป็นสุขอย่างยิ่งคนส่วนมากมีทิฏฐิมีมาณะอัตสมิมาณะถ้าเราเอาอัตสมิมาณะออกจากใจเราได้ไม่ถูก คนปฏิบัติธรรมแล้วจะมีทิฏฐิมานะมีอัศมิมานะกูดีกว่ามึงมึงดีกว่ากูเนี่ยพระสวสดบวันเนี่ยละไม่ได้นะอัศมิมานะเนี่ยจางๆลงมาหน่อยแต่ไม่หมดสักขีทาคามีก็เหมือนกันนะมันยังมีอัศมิมานะมึงรู้กูไม่รู้มึงเป็นกูไม่เข้าใจมานะ กูดีของมึงมึงดีกัากูมึงดีไม่เท่ากูกูยังไม่เท่ามึงกูยังไม่รู้มึงเห็นมึงรู้มึงไม่สารพัดมันมีมึงมึงกูกูเนี่ยยุ่งเลยแหละเมีอัศมิมานะในตัวอนุสัยในจิตของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าทิฏฐินุใสอนุใสคือกิกเลสที่มันนอนเนื่องในสันดานกามานุใสราคานุใสเนี่ยอารมณ์กามก็อยู่ลึก เอาออกได้ไม่จะมีความสุขแต่ว่าตัวนี้คือทิฐิบางทีมันมีปฏิฆะถ้าเขาไม่กระทบกระทั่งหนัหนกๆก็ไม่เกิดอารมณ์แต่ถ้ากระทบกระทั่งหนัหนกะมันขึ้นมาเลยมันฟุ้งขึ้นมาเลยในตัวเราเนี่ยตัวอัศมิมานะเนี่ยมันขึ้นมาเป็นปฏิฆะเป็นงุหงิดเป็นทิฏฐิไม่ยอมใครไม่เชื่อใครเชื่อความคิดตัวเองไม่ยอมเชื่อฟังคนอื่น เวลาคุยซะน้อยเนี่ยมันจะคุยมากกว่าคุยมากกว่าแสดงออกมามากกว่าเพราะอะไรเพราะตัวรู้มันไม่พอที่จะไปดับตัวนั้นได้ตัวรู้ตัวสติมันไม่พอแล้วไปพลิกชีวิตเนี่ยมันพลิกไม่ได้มันก็เลยติดอยู่ตัวที่ทิศทีเนี่ยคือความคิดความเห็นคนทั้งหลายในมีความคิดความเห็นมันเกิดจากสมมุตินะแล้วแต่ภาวะของแต่ละคนคนที่มีการศึกษาแบบนี้มาก็าจเห็นความแบบนี้ คนนี้การศึกษาน้อยก็จะมีความเห็นแบบนี้คนนี้อัตราตนตัวตนมากก็จะเป็นแบบนี้คนนี้แล้วแต่นะภูมิหลังเป็นยังไงความศึกษาความรู้เนี่ยแล้วมาเป็นความคิดความเห็นแต่ความคิดความเห็นนี่คือสมมติทั้งหมดเลยไม่ใช่สัจธรรมแต่เราก็จะติดติดความคิดความเห็นเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าอสัมมิมา น, นสัมมันเหมือนทิฏฐิมาะน ะ, นะติด สลัดไม่ออกปล่อยวางไม่ลุดเ น, นี่มันก็คือกับกลายเป็นอัตตาตัวตนอยู่ในนั้ น, นปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อสลายสภาวะพวกนี้ยแล้วมันเป็นไปได้ถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันเกิดวิปัสนาญาณวิเศษแจ้งต่างวปัสนาแปลว่าเห็นเห็นแบบต่างเก่าล่วงภาวะเดิมชีวิตมันต่างเก่าเลยถ้าเห็น แล้วชีวิตไม่ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ว่ามันเกิดวิปัสนาผู้นั่นก็เห็นอนนั้นคนนี้ก็เห็นอันนี้นนนนอนนโอ้ยไปปฏิบัติธรรมไม่เห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามันไม่ทําให้ชีวิตมันต่างเก่าล่วงภาวะเดิมที่ยังมีราคะโทสะโมหะงุญญ่นหินอื่นอัดขัดเครื่องทิฏฐิมานะลาขาตนาผู้เนี้ยมันไม่หายไปอะแสดงว่าไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่เห็นนะมันไม่ใช่วิปัสนามันไม่ได้ลดมานะไม่ได้ละทิฏฐิ ไหมฉะน้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมาทําเพื่อให้มันลดในสิ่งที่เราติดพวกนี้ยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงแค่สมมุตินะเราไปติดสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดสมมุติที่ใช้ร่วมกันสัมมติสัมภะแปลว่าร่วมกันมีมติร่วมกันเห็นร่วมกันเขาเรียกว่าสมมุติ วานี่คืออันนี้นะอันนี้คือดีนะอันนี้คือชั่วนะอันนี้ถือผิดนะ น, นี่เป็นบาปนะ น, นี่เป็นบุญนะ <c oughs> เราเห็นร่วมกันเฉยๆทีนี้ถ้าคนอื่นไม่เห็นร่วมเราดันเป็นทุกข์ซะนี่เพราะอะไรเพราะเราไปยึดนั้นอย่าไปยึดผิดก็อย่าไปยึดทุกข์ก็อย่าไปยึ ด, ยยดเดี๋ยวนี้อย่าเพื่อสังคมเพื่อพัฒน า, านีนะโน้นอา้าวมันไปยึดมากยึดมากก็ทุกข์มากนะคนมันจะมีอะไรนี่ไม่ยึดเอาอะไร ยึดพ่อเหรือพ่อเดี๋ยวก็ตายแม่ก็ตายเปือ่อยตายไปเรารู้มาตั้งนานแล้วนะพ่อแม่จะตายคนรักคนชังเราเนี่มันจะตายรู้ตั้งนานแล้วแต่เราก็ไม่ปล่อยวางเวลาเขาตายจริงๆเราทุกขนะ์นะน้ําตาไหลร้ลองไห้แล้าไหลเข้าไปอยู่ในกระแสไงไหลเข้าไปอยู่ในกระแสะของความทุกข์ถ้าเราอยู่กับจิตที่โลง่งๆว่างๆนี่แหะมันไม่ได้เข้าไปนะถ้าเราไม่ยึดมั่นถึงมันเคยพูดเปรียบเทียบให้ฟังหลายครั้งว่าเราไปเยี่ยมคนถ้าไม่ใช่พ่อแม่ของเราเนี่ย เราเห็นเขาตายรถชนตายเราก็เฉยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าพ่อแม่เราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เราเป็นโรคเราคิดทันทีหรือคนที่เราผูกพันเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์ทันทีเอ้าปฏิบัติธรรมยกมือสั่งจอมันจะเป็นเลื้อสายนั่นสายนี่สายนั้ น, น, นพิษมันไม่ถูกกับคำสอนพระพุทธเจ้าสายที่เป็นของพระพุทธเจ้าต้องเป็นยังนั้นรู้สึกอึดอัดงุนหงุดขึ้นมาเห็นไหมมันยึดเนะี่ยมันไปยึดอย่าให้มันไปยึดอย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปผูกพันเห็นเป็นศัก์แต่ว่าทูก็อย่าไปยึดพิษก็ อ, อย่าไปยึดนะรับรู้แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็แล้วไปแต่ทางโลกไม่ได้นะมันเป็นสถ า, าบันมันเป็นอัตตาตัวตนมันเป็นกลุ่มกันขณะนั้นขณะ น, นี้มันเป็นอัศมิมานะเป็นมานะมาณนะแปลว่าถือตัวถือตัวว่าดีกว่าเขาชั่วกว่าเขา นะเท่าเขาเสมอเขาด้อยกว่าเขาอะไรก็ตามนะมานะเนี่ยมานะไม่ได้แปลว่าขยันนะแปลว่าความถือตัวหนักไม่ถือตัวนี่หนักสินี่ถือตัวหนักหนักนั่นถือนี่ถือแล้วหนักถืออันหนึ่งเรื่องหนึ่งก็หนักอันนึงสองเรื่องก็หนักสองอันสามเรื่องก็หนักแล้วใช้ชีวิตเดินไปนี่ยิ่งหนักไปเนี่ยที่กันคือปฏิบตัติธรรมนี่เพื่อให้ปล่อยวาง ปล่อยวางไม่ถือมันหนักไงแต่วิปัสนามันจะเกิดการปล่อยวางแบบแมลมันแย่งมันจะหลุดมันเหมือนอะไรที่หลุดลงไปจากมือเราอ่ะเราถือมัาเยอะๆเรายึดถือรูปจริงๆเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆมันจํามันจําแล้วมันเสนอแล้วมันขัดแย้งกับคนอื่นเนี่ยมันติดความคิดตัวเองนี่เองมันติดอุปทานขันเนี่ยมันยึดอยู่ข้างไหนใจมันไม่วางเขาเรียกว่าอุปทานขันห้า ทำไงมันที่จะวางอุปทานขันธ์หน้าก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเนี่ยใจเราปกติมันจะคิดใจเราจะจําทีนี้เอาความรู้สึกตัวเนี่ยมาล้างออกล้างออกล้างออกล้างออกลงออกให้ความคิดเวลาคิดขึ้นมาแล้วมันไม่ติดอยู่ในจิตมันวางเลยรับรู้คิดก็รู้ไม่คิดก็รู้นะแต่บางคนส่วนมากไปเรียนวิธีคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดให้ปล่อยวางคิดเรียนไปเถอะมันจะยากมันออกยากคิดให้เป็นธรรมะ คิดแบบไตลักคิดแบบนี้คิดไปเถอะถ้าสติมันไม่มีความรู้สึกตัวไม่พอเนี่ยมันไม่วางง่ายนั้นพุทธศาสนาเนี่ยมันจะง่ายมากสาหรับคนไม่ต้องมีความคิดมีแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวเนี่ยแต่เวลาเข้าใจสัจจะสภาวะแล้วค่อยไปสงเคราะห์เข้ากับความรู้เดิมของเราได้แต่อันดับแรกนี่เขาต้องมีสติสัมปชัญญะเนี่ยให้มันชัดๆจนถ้าว่ามันสามารถล้างทิฐิมานะ ในใจเราออกได้ทิฏฐิมานะเนี่ยอัสมิมานัสะแต่ก่อนไม่เบียดเบียนต่อมาอัสมิมานะบางทีเราไม่ได้เบียดเบียนใครแต่เรายึดมัน่นหรือมันในตัวตนวของตัวเองเป็นอาหารกามามังการยึดถือตัวกูของกูใสก่กูนาฬิกากูแหวนกูเงินกูทองกูผ้ากูบางคนมารายงานว่า ลอนตาเขาเอาผ้าถุงหนูไปอาบน้ําประกาศให้หน่อยหืมวาประกาศแล้วพ้าถุงมึงกระบาดถุงมึงแล้วเนะาะเอาไปเถอะหนูเอ้ยนัย่นแหละเดี๋ยวมันเอามามไม่ชอบนะแบบนี้ ม, มาปฏิบัติทำได้ไงไม่มีศีลไม่มีธรรมโอ้พูดดีเอาไหมจะเอาไมโครโฟนให้ตอนเย็นนี้ไม่เอาไง อ, อย่าไปยึดไป น, นะเดี๋ยวมันก็มาตากไว้มันไม่ตากไว้ก็แล้วไปหรือเธอจะมาปรับอาบัติเอากับพระว่าซื้อใช้พ่อยินดี เอาผ้าสะบองหลงปูสังเก่าๆนี่ไปใช้แทนก็ได้จะไปยึดมันมากมายคนมักง่ายกับมักง่ายนะของกูไงไม่รู้จักหรือผ้าสะบงกูสิ้นกูผ้าถุงกูผ้าเช็ดตัวกูเอาไปกูก็เป็นทุกข์แล้วเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยหลงอันนั้นหลงอันนี้ไปเพราะเรายึดเป็นของเราไงนาฬิกา ร, ระวางตัวนี้ คนนั้นหยิบไปปากการะวังตัวนี้หายไปเนี่ยหมอนเราที่นอนระว่ังตัวอ๋อเสือมันขยับเป็นกูไม่ชอบจริงๆเห็นไหมนะมันจะเป็นนั้นดีเพราะมันเป็นอัศมิมานะลองเฉยดูดิเอ้าช่างหัวมันนะนะโตมันนะอย่าไปยินดีอย่าไปใส่ใจมันมากนะช่างมันเถอะนะการที่ว่าจะช่างมันเถอะได้นี่ต้องรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยชัดๆเดินก็ย่ําเท้ามันก็รู้อยู่กับเท้า นั่งเขาล้อยู่กับเท้าเดินนอนรู้อยู่กับเท้าเนนราอยู่กั บ, ย, กบยืนเดินนอนก็อยู่กับคืออย่าให้สติหลุดออกจากกายเขาถึงเรียกว่ากายานุปัสสนาตอนทำไปถามว่าเธอปฏิบัติธรรมเนี่เอาใจไว้ที่ไหนเอาใจไว้ที่สมองมาไม่ต้องไว้ที่สมองเอาไว้ที่ความรู้ตัวนี่เราพลิกมือนี่รู้ยกขึ้นี่รู้รู้สึ ก, เ ร, รสกเรารู้สึกตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นแหละ เวละเดินรู้สึกที่เท้าก็ใจอยู่ที่เท้าความรู้สึกนี่นะนั้นขณะที่เดินไปเดินมามันคิดไปบ้านโน้นะไปพอใจไม่พอใจกับบ้านใจก็ไปบ้านแล้วใจไปหาแม่แล้วใจไปหาพ่อแล้วใจไปอดีตแล้วเนี่ยใจมันไปแต่ขณะที่ฝึกสติเนี่ยเราให้ใจมันอยู่กับมืออยู่กับเท้ามันเป็นส่วนหนึ่งของกายและลึกรู้ จนทั้งวสติมันโตขึ้นมันจะเริ่มรู้มากขึ้นมากขึ้นเริ่มสบายขึ้นสบายขึ้นมันขยายขึ้นมันปโป่งขึ้นมันโล่งขึ้นนะจนทั้งวสุดท้ายคือกลายเป็นความรู้ตัวท่วพร้อมขึ้นมาเป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่แปลว่ามากนะมหาสมุทรเนี่ยน้ํามากน้ําใหญ่มหาสติก็คือสติใหญ่สติมากท่านสติในน้อยเนีย่ยมันดับความคิดได้ไม่ไม่ได้ดับความพปร่งแต่ไม่สลัดมานะได้ไหมไม่ได้ ต้องมีมากๆากมีมากมาแล้วก็มีให้ต่อเนื่องเพราะว่าจะลําพังจะเป็นความรู้สึกตัวแบบนี้ไม่ได้จะต้องเป็นสมาธินะจะต้องเป็นสมาธิแล้วจากสมาธิก็ต้องเป็นรู้ตัวต่อเนื่องเปรตยถาภูฏะเห็นตามมาเป็นยีงโหมันเกิดนี้มันดับนี้อีสักพักหนึ่งมันจะเป็นการรู้แจ้งนะจิตเนี่ยฉะนั้นยังไงก็ตามที่จะผ่านความง่วงความเหงาได้ทำเถอะ จะผ่านความคิดทําไงได้จะอยู่กับปัจจุบันได้ในธรรมเถอะความคิดกระเจ้าหัวมันเหยียบข้ามมันไปความคิดเหยียบข้ามเหยียบข้ามเหยียบข้ามมันมายัางไรเราก็เฉยกับมันน่ะพยายามเฉยเนี่ยได้ยินข่าวว่ากรุงเทพเนี่ยเขาสร้างจ่าเฉยขึ้นมานะงวดหน้าเราก็ถือมาด้วยเดินจุกมตั้งจ่าเฉยไว้สร้างหังวามานะเขาจะช่วยได้เหรอนะ อดูมันบ่อยๆเนี่ยดวงตาก็คิดว่าจะตั้งหลวงพ่อเฉยๆดูหลวงพ่อเฉยๆอะไรก็ดูหลวงพ่อเฉยนๆออกเหรียญรุ่นหลวงพ่อเฉยเคยเห็นไหมมีพระรุ่นหนึ่งอะ่ะ <c oughs> โอ้ยจะเทศได้กี่ปีเนี่ยยังไม่รู้เลยทั้นคนไหนช่างลวงตาก็อย่าชังมากนะเพราะว่าจะตายกันจากกันอยู่แล้วล่ะบางคนรักก็อย่ารักมาก จะโมรณะอยู่แล้วลนะ่ะมันอยู่แค่นั้นเน่ะชีวิตเนี่ยมีพระปางหนึ่งเขาทำอย่างนี้ยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม <c oughs> แก่จนจะเน่าเขาลงยังไม่เห็นนะเคยเห็นไหม <c oughs> เขาเรียกว่าพระอะไรพระอันนี้มันจะเป็นยังไงนะแล้วเขาเอานี้ขึ้นมาปิดนะนี่พระไม่นุ่งผ้านะเดี๋ยวเอาตีนปิดเอา พระอะไรพระปิตาปิตวาลเนี่ยย่อมองตราพระปิตวาลถ้าถูถูทาถูนวดแก่ลมฟกช้ำบวมปิตวานย่ากระสายเส้นตราพระปิตวานแก้ประดงเลือดประดงลมพระปิตวาลอันนี้ตาพระปิตวาลก็คือ เขาไม่รับรู้เรื่องข้างนอกและเขาเฉยได้กับเรื่องข้างนอกแต่ไม่ได้เอามือปิดนะเอาสติปิดเอาปัญญาปิดพระปิตวาล น, นั้นเวลาจกแขวนคอนะเราไปพระโอ้นั้นเปโอ น, นี่โอ้ยขอบูชาหน่อยเอานะรุ่นไหนเอาพระปิตวาลถ้าปิตวาลระดับทุกได้ถ้าหมหาอุดนี่ก็ยากเอาพระปิตวาลนาแขวนใส่เหมือนลิงนี่นะพระปิตวาล น, นะจะท่านปิด ปิดตาสองลูกปิดจมูกสองรูปิดหูสองข้างปิดปากใช่ไหมะแล้วให้มันเหลือรูหนึ่งคือใจใจนี้ยังไม่ปิดมันเป็นที่มาของมาจากคำคาหนึ่งคือสมัยหนึ่งมีเนน้อยองหนึ่งครมีมีพระองหนึ่งชื่อพระทุตโฉโพธิละท่านเป็นคนที่ถีมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใคร ไม่ยอมปฏิบัติแต่ท่านเป็นคนจําพระไตรปิฎกดีมากเจ<ำ>้าหมดไหนหน้าที่เท่าไรอะไรยังไงท่านจะจาดีสุดท้ายท่านก็สอนคนเขาว่าถามอะไรท่านตอบได้หมดพระเจ้าเที่ยวพูดยังไงท่านก็สอนสอนไปคนก็บรรลุทำเยอะแต่ทั่วท่านเองท่านเป็นนักจะไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมเป็นนักจําท่านจําได้ ที่ไปหาพระพุทธเจ้าเวลาลงอุโบสถก็ถามทำบุญ ต, ต่างๆก็ทำพระพุทธเจ้าจะถามพระพุทธเจ้าจะเรียกมาถามพอมาสอบอารมณ์แลยไม่ไม่สามารถบรรลุทำอะไรได้เลยท่านไม่ได้บรรลุชั้นไหนอ่ะแต่ท่านเป็นจําจําพอปลดเรื่องกรบเกลื่อนไปพระพุทธเจ้าว่าเมื่อไหร่เธอจะปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่เธอจะตั้งใจปฏิบัติเมื่อไหร่เธอจะมีสาระแก่นสารเกิดในจิตของเธอเธอจะมีแต่ความจําอยู่นี่เหรอ อายุเยอะทีนี้เจ็ดสิบกว่าปีแล้วมาเขา้ามาเขา้ามาเขา้าปรากฏว่ามันไม่สร้างจังหวะเนี่ยท่านก็เลยว่าเมื่อเราไปกราบลาท่านท่านว่าอา้ากลับแล้วหรือใบลานเปล่าพอมาหามาไหว้ท่านว่ามาจากไหนใบลานเปล่าเป็นใบลานเป็นคำภีแต่ไม่รู้สัจธรรม เขเหมือนว่าเหมือนทัพพีย่อนอยู่ในหม้ อ, อกแกงแต่มันไม่รู้รดแกงเป็นผู้เลี้ยงโคแต่ไม่รู้ไม่ได้กินเนื้อโคเป็นผู้สอนคนแต่ไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้รับผลอ น, นิสงส์อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นก็เลยว่าโอ้รู้สึกเจ็บใจอะ่ะคือให้เก็บอารมณ์ท่านก็ไม่เก็บให้ปฏิบัติท่านท่านก็อ้างเจ็บนั่นเจ็บนี่เดี๋ยวก็จะไปโน่นเดี๋ยวก็จะไปนี่ไม่มีเวลาละามันมีคนมาขอนะี่ย ที่วิโยมมาลูกชายมาฝากสองคนนึงหลวงตาก็ว่าอือยากให้เข้าตามเวลาแล้วเปิดวันที่เท่าไหร่ก็คือมาทํานั้นนหะถ้ามันผ่านไปแล้วก็เขาก็เท่ารอมาตั้งแต่เที่ยงนล้ว น, นะหลวงตาโปรดเมตตาหน่อยเนะถิดทารอจนค่ําลวงตาก็กลัวเสียเวลาแล้วจะมาตัดสินใจแล้วไม่รับกลับได้ขออยู่เลือกสองคืนไม่ได้หรนะือไม่ได้ ขอสอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ยไม่ได้เกียรชั่งนเนี่ยมันไม่มีคนมาสอบให้ไม่มีคนมาคร่อกันคนเดียวนี่เกียรติทำลูกเขาคนดีดีเขาพูดลูกพ่อแม่ดีมากนะเขาอยากปฏิบัติทำก่อนที่จะลงมือทํากิจการมอบกิจการให้ลูกเขาเขาอยากให้ปฏิบัติทำก่อนเจ็ดวันเลยประมาณตัวมาตามเวลาเถอะเอ่ เรื่องจากอุลุตอมไม่มีเหตุผลนะ่ะเหตุผลไม่มีถ้าตั้งใจก็จะมาตามเวลานั่นแหละคือเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพิ่งกลับไปนะนั่นคนไหนที่มาไม่ตรงเวลาเนี่ยให้อยู่นี่ถือว่าเป็นบุญหัวนะเนี่ยที่ทำเนี่ยแต่สำหรับชาวสกลนครเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆอยู่ในจังหวัดสกลนครเนี่ยมาไม่ตรงเวลาน้องท่าจะตัดออกไปเลยมาใกล้ๆนี่เห็นว่ามัน กลับไปนอนบ้านมันไกลเฉยๆเยยนีนเนี่ยแต่ถ้าสุคนครถ้าไม่ให้เอาก็คือเขากลับไปนอนบ้านไม่ไกลภายในจังหวัดเนี่ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าคนมาจากทางไกลเนี่ยมันให้กลับแล้วมันไกลไปหรือ <c oughs> ว่านอนสักวันพรุ่งนี้ค่อยกลับได้ไม่ใช่อัศมิม า, น, านะนะเขาโปรด นีมนเมตตาหน่อยเถอะเมตตาเมตตาเมตตาบางเถอะเนี่ยเมตตาแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยเขายังมีอีกนะตาครับนะขอพาลูกฟังทำหน่อยก่อนกลับได้ไหมนั่งพอเพียบกระเืิรนะ์น่ะไม่ได้ปะเป็นไรกลัวบรรลุเนี่ยฟังทำก็ไม่ให้ฟังนะเนี่ยให้กลับลูกมาสองคน ไปช่วยตัดไม้ไผ่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงคำ่ำเขาถามหลงตาท่านจะออกมาตอนไหนยังไม่ถึงเวลาถามหลงตานั่นแหละมีสื้พค้าคนเจอท่านแต่ไก็คุยกันนานจนพอได้จังหวะล ง, งตาไปทางอื่นกลับมาเขาจึงรู้ว่าเป็นลงตาเขาก็เลยรออยู่นล้ รอจนคิดว่าท่านจะมาทำวัดเขาก็มานั่งรอว่าท่านจะทำวัดท่านก็ยังไม่มาเนอะหลวงปู่เออไม่เห็นมาหนิท่านไม่มาเอามันออกซะญาติโยมกลับไปจะเป็นคนมีเหตุผลหลายเหตุผลอย่างนั่นเหตุผลอย่างนี้นะถ้ามากมายก็ไม่ได้ถ้าเขาตัดินใจจะอยู่ล่ะคงได้อยู่แหละ เราบอกว่าเขาหน้าซะเราจะเป็นคนมีเหตุผลเยอะยิ่งเห็นผลมากเท่าไหร่เนี่ยอัตราตัวตนเราก็เยอะนะเขาโทรศัพท์มาบางคนโทรมาแล้วถ้าคนที่มันไปปฏิบัตนะิธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกินเหล้านะในบริษัทนี้ทําไงไล่มันออกเลยเอา้าไม่มีคําแนะนําอะไรเลยวะ่ะไม่มีเอา้าก็ไม่มีเหตุผลเนาะไล่ออกไปเลยเอาคนใหม่ ถ้มันยังดีอยู่นะดีไปอย่างไงน่ะไล่มันดูดิเอาดีแล้วชั่ ว, ว, วอยอะไรช่วยยังไงบอกมีก น, นี่ก็ช่วอันไหนมากกว่ากันเอาดีเก็บมันไว้เ้องพิจารณาด้วยใจแล้วก็แก้ไขได้เลยอะ่ะไม่ต้องห่วงแต่ถ้ามาปฏิบัติแล้ไม่ได้เรื่องงงงงงแย่เ่ยวเนี่ยดูอาการแล้วะเวลาเจ้านายเขาถามลูกตาลูกน้องผมไปเป็นไงกลับไปนี่ไล่มันออกเลยนะ่ะไม่ได้เรื่องเอาอย่างนั้นเลยเลย แน่นอนว่าเอาเลยก็ได้ออกหลายหายคนคก็ได้ออกพราถ้าลูกน้องเขาเป็น ไ, ไงขึ้นเงินเดือนมันว่ะมึอา <c oughs> ดีใจตายเลยต้องึ้นเงินเดือนเนี่ยเท่าไรสองร้อย <c oughs> เอาคืนมากไม่ดีมันรู้ว่าผลมาปฏิบัติธรรมมันจะมาอีกครั้งนะเพราะมันจะมาหลายรอบมามีคนหนึ่งพพมาทํางานอีกคนหนึ่งบริษัทหนึ่ง <c oughs> มาทำทำไปทํามาขึ้นมาฟังธรรมตอนเช้าขึ้นมาฟังธรรม ตอนเย็นก็ขึ้นมาฟังทำทำงานแไปอาบน้ำแล้วขึ้นมาฟังทำฟังไปฟังว่าเลื่อมใสเนี่ยมาลงชื่อไว้ในขอบวชเนี่ยจะขอบวชไปบอกเจ้านายว่าจะบวชเจ้านายบอกโอ้ยหลวงตาคนนี้มาทํางานเก่งเนว่าทํางานเก่งแล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวผมก็เลยบอกบอกไปว่าไงคิดว่าจะอยู่ได้เลยวัดโสมานั่นนะบวชแล้วมันยากมากนะ <c oughs> เจ้านายเสียดายไง ลำบากนะไม่ใช่ธรรมดานะต้องไปฝึกนั่นฝึกนี่ก็นึกคิดดีแล้วแล้วผมผมคิดว่าผมคงทําได้ผมไปนั่งฟังทำแล้วตอนเช้าตอนเย็นผมคิดว่าสิ่งที่ผมยังไม่ได้ก็คืออันนี้แหละอันที่ฟังอยู่เนี่ยเขาบอกก็เลยโทรมาอนุโมทนาเขาจะให้มันมาอยู่เนี่ยเนี่ยแค่เขามาเข้าฟังอยู่บ่อยๆตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างนะแต่มาทํางานให้วัดมาปูกระเบื้องมาทํานู่นทำนี่เนี่ยเลื่อมใส เลื่มแล้วใจเขานะี่ะใสขึ้นมาแล้วของเฮาผัดแห้งพังแห้งกี่กันเมือ่อจิจบกอดกูนอก้องเมื่อจิตายเบื่ออายอะไรประมาณเนี่ยเห็นไหมมันไม่เลื่มไม่ใสมันยิ่งสปกปรกลกคลุงลังเข้าไปไเรื่อยเนี่ยของเขาเนี่ยฟังนิดหน่อยอัศมิมานะเริ่มบ อ, อกแล้วความมานะความถือตัวความถือตัวที่ถ้าเอาออกด้วยสติสัมปชัญญะเป็นแบบการรู้แจ้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ย มันใกล้จะดับทุกนะทุกมันใกล้จะดับไม่จะหมดทุกอ่ะสังเกตเลย ห, หลายคนเวลามาปฏิบัติธรรมใหม่ๆ ม, มีแต่เหตุผลมาถามลุงตานะเหตุผลนังไงลุงต้าโอ้ยอย่าหาเหตุผลเลยเปลี่ยนปฏิบัติธรรมเดียวมันเข้าใจหรอกยมันจะรู้ได้ยังไงนี่ยมันสงสัยเนี่ยสงสัยเราก็สงสารนะเธอสงสัยฉันสงสารอันนั้นอันนี้นะพอคุยได้ก็คุยไปพอคุยไม่ได้หรอก เขาก็ไปงุง่นหิดในทางจุงกรมทําไปทำไมเดี๋ยวเขาก็เข้าใจอ่ถ้าไม่เข้าใจก็ถามไม่ใช่ไม่ถามนะถามได้ทาไมไม่ถามพระพวกนั้นละ่ะกู้เกินไม่ถึงอโอ้โหมันมองพระกูต้อยต่ํำแล้วเกินน้อบะระดับมือปราบ น, นะน่ะว่าไม่ธรรมาดานะเขากู้วกินไม่ถึงเขาว่ากินคืออะไรหลวงปู่เกินนี่แปลว่า ก, ก้นนะใช่ไหมไม่รู้จักเกินจากกินอะไรเนี่ย เมื่อที่คาพูดที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะนั่นแหละคือวิปัสนาคําตอบที่เป็นธรรมดาธรรมดานะนะั่นแหละวิปัสนาแท้นะอะไรที่เป็นหลักการเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียไม่ใช่อย่าไปหามันมากอย่างโยมเหมือนกันรตาเขาเขาพวรับศีลไปะนะมาปฏิบัติธรรมนานศิลรับศีลแปดน่าจะรับศีลแปดเอา ว่ากันเลยถามว่าโยมไม่ได้ศีลแล้วเนี่ยมันอยู่ที่โยมนะโยมจะศีลไม่ศีลอยู่ที่โยมเยประเด็นว่าเขาเป็นคนบ้านนอกเขาเข้าใจได้ดีเลยอ๋อศีลแปลว่าฟันแปลว่าเฉือนนี่ติมันน่ะเออคือกันกับาศีลฟื้นศีลใหม่ศีลต่อศีลทําแม่มันก็ไปรอดวันนี้นะศีลกิเลสออกนี่นะคถ้าสิตมาเฝ้าขอนึงข้อสองยู่เพราะปณิสอวยมันประดับทุกได้แล้วศีลแปลว่าศีลแปลว่าฟั่นแปลว่าเสือน เฉือนศีลมันออกทันมันออกซับมันออกห่วงเงาเบื่อในไปนี่ขี้ข้าดไปนี่ถ้าไม่เอาออกมันก็ไม่ออกแหละจะมารับสานั่นยันพิดคอนั่นพิดคอนี่อยู่เมื่อไ้ร่ละมันยากของพระพุทธเจ้าเน่ะถือศีลด้วยปัญญาแต่ของพวกเราเนี่ถือศีลด้วยอุปทานคนละแบบกันนะทินสมมุติผิดได้แต่ศีลปรมัภิษผิดไม่ได้อย่าให้มันมีมานะ มานะตื้นๆแบบของเราเนี่ตัดออกไปได้พอปล่อยพอวางแตม่มันมันอยู่ข้างในนี่นะมันร้อนอยู่ข้างในแต่ถ้าออกเนี่ยมันต่างเก่าร่วงภาวะเดิมเลยถ้าทำด้วยวิปัสนานั้นยอมเป็นเย็นได้ถ้ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้นะเขาเล่าเรื่องอัศวิน ม, มาณนะมีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนแต่งงานกันผู้หญิงก็งามนะ นะหุ่นดีดีนะอกยี่สิบสามเอวหกสิบแปดผู้ชายก็ดีหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาคุยกันดีดีอ่รักกันมากกลางคือนนอนด้วยกันทำภาษาพวเมียนั่นแหละเวลานอนเนี่ยแต่ว่ามันมีทิฐนะิเนี่ยพราะแต่งงานแนละ้วมันไม่ค่อยถูกกันเนะี่ยตอนไม่แต่งก็ดีกันอยู่แต่พอแต่งแล้วมึงมึงกูกูเลยทีเนี่ย ทำภาษานะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุกข์ทุกเนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นทุกข์แต่พอแต่งไปแล้วลวงตาเห็นคนคนหนึ่งนะที่แต่งงานแล้วรู้สึกว่าจะมีความสุขมากๆากนะที <c oughs> ่เจอหน้ากันนะ <c oughs> ผู้ชายคนเนี้โยมน่าจะเจอเขาถ้าเจอเขาแล้วได้ฟังแล้วจะรู้สึกว่าคนที่เป็นปัญญาโอ้อ <c oughs> เป็นผู้มีความสูกอยู่กับเขาเนี่ยไ ม, ไม่พูดดีกว่าบ่ะเอาพูดพูดพูดดีกว่าเนาะเอาเขาคือประมวลเวลาเจอไปบรรยายธรรมด้วยกันจะไปเจอกันไ่้อ้ท่านรักลูกรักเมียท่านมากรักแต่แท้นะไปไหนกน็พอนึกถึงพูดถึงเมียเรื่องน้าตาซึมน้าตามีปิติมีอะไรขึ้นนะเป็นนักปฏิบัติธรรมนะ แต่จะไม่ยอมปล่อยวางภรรยารักเขามากเราจะเห็นมุมมองของนักปฏิบัติธรรมเดินไปได้ปีจีได้สมาธิได้งก็ตามนะเ น, นิกถึงภรรยาภรรยาเขาเลยคิดถึงเขามีบุญคุณกับท่านอย่างนั้นนี่พูดพรอะปุ๊บเจ้าหน้าทก็จะเกิดปีติแล้วฮอันที่หลวงตาพูดเนี่ยคนสองคนเนี่ยมีละหองละแห่งกันและนอนด้วยกัน แต่ว่าก่อนนอนเนี่ยไม่ปิดประตูบ้านนอนอะ่ะแต่ไม่ปิดประตูคือถ้าใครเข้านอนทีหลังนอนแต่ก่อนเนี่ยมันต้องล้างเท้าก่อนเขาไปนอนเนี่ยใครเข้าไปนอนทีหลังเป็นคนปิดประตูทีนี้มันก็เข้าไปนอนพร้อมกัน อ, อ่ะผมพาอ้มึงลุกไปเม้อผมไม่ไปมึงเห็นลุกไปเมียก็หมาข้าวมาเข้ารู้จักหมาข้าวเนาะภาษาไทยเขาเรียกว่าไงโอแช่ข้าว แช่เข้าเอาไว้นละที่นี้ก็ผู้ชายก็นอนแหละเชยเอาจะไม่เฉยจะไหนลุกไปปิดประตูนะไม่ไปเมียไว้เมียไปนะพอมาทีหลังเอามาทีหลังก็ฉันก็มาเข้ามานด้แช่เข้าวมาเธอไม่ได้ทําอะไรลุกไปปิดประตูไม่ปิดไม่ยอมปิด่ะเห็นไหมทิฏิมานะมากอัศมิมานัษสะเลย แล้วทํายังไงนะคุยไม่ยอมกันนะ่ะยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้เลยเฉยใครเฉยมันก็เลยตั้งกติกามว่ยุน่ะต่อไปไห้ามพูดกันนะ่ะถ้าใครพูดขึ้นมาคนนั้นไปปิดประตูทีแรกก็มึงนะนะั่นแหละกูมึงกูแต่ก่อนน้องพ่อแม่พ่อแ ม, อแม่แต่ว่าอ๋อยีหา้าเนี่ยไหมมึงนัะนะ่นแหละเอาบักเป็ ด, ดเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยเอาไปมาเลยไม่มีใครเปนเห็นไหมยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ น่ะเข้าหนักเข้าก็เฉยเฉยเลยหมามันก็ขึ้นมาแล้วมันเข้ามาแล้วมันก็มากินข้าวที่แช่วไว้น่ะกินข้าวเบื้องหน้ากันือมึงสีเบาด้วยนะมึงเบามึงสิดไดปยปบีบเตาหนะ่ะเมียก็ไม่ไปช่วยหพ่อก็เฉยหมามันก็สบายอ่ะสบายหมาสอบสอบสอบสอบส นอนไปนอนมันคก็ เ, กเบิงตาโลกโลอยู่ย่านได้ไปปิดประตูจนกินหมากินมดแม่หมากินหมดเลยมันก็ไปเองอะ่ะก็ไม่มีใครปิดประตูตื่นเช้ามาลุกไข่ลุกมันมาเบิงมดเนี่ยเห็นไหมมันที่ถีมานะเนี่ยหมากินข้าวหมดก็ยังเฉยไม่รู้จะทําไงก็ไม่พูดุปิดปากก็ดูเห็น มัน ะ, ะูเขาเมื่อศไม่พูดดูหน้ากันเฉยเมียก็ลุกขึ้นมาก็เลยเอาแขนซุบเอากระตาก็ไปไปหาซื้อพักตลาดกูเลยย่างไปผัวก็ลุกมากระซี่แกวซี่กูทำนั่นทำนี่นะไอ้ก่อฟื้นก่อไฟละบริกินก็นสร้างหัวมันถอดมากูต้องสนละล่ะมันต้องเบาออกมาอยู่ดีอ่ะเมียกูนี่มันต้องพูดละ เมียก็เหมือนกันนะผักวกูมันต้องเว้าล่ะไม่ต้องเห่าก้อนกูเพื่อนะเอาไปมาก็ช่วยออกมาก็นั่งผัวนะเมียก็ไปตลาดซื้อผักมาคนคนเขาจะไปไร่ไปนาเขาเห็นเขาก็ตะโกนถามเอา้าเป็นอย่งนอ้๊เรื่อนนี้คือว่ามีผัวมานอ้๊เขาบอลงมาะปิดฟืนปิดไฟในนอ้๊ปนะเคือมีหมามีอะไรอยู่เนี่ยไม่ไม่ดูแลเขาไปดูเช่ย ผัวนะนั่งเฉยชาวบ้านเขาก็เลยนึกว่าผีเข้ามันไม่พูดอ่ะเฮ้ย <Hey! S 1> แต่ก่อนคือนั่งรับวะไม่ว่ามือนี่คือใข้ขึ้นเว้าวถ้าแม่มันขบ ย, ย่อมเฝ้าไมขบ ย, ย่อมปากได้ที่ยิ้มธรรมดาเขาก็เลยไม่รู้จะทําเขาก็เลยหามไปอะชาวบ้านเขาหามไปพอเปปุ๊บเขาไปนั่งปุ๊บเขากันไกลตัดนะ่ะ ตัดหัวมันนี่เอ๋อมันจะไม่พูดจริงๆแล้วตัดหัวมานี่ตัดผมตัดผมตัดผมตัดไปตัดไปตัดไปเนาะเขาตัดมัดเลยตัดผมก็ไม่พูดนะกลัวได้ผิดประตูทิฏฐิมานะไดยตัดแล้วเขาก็ไปอ่ะอ๋อข่าว่าคงปอบเข้ามัน่ะมันเฉยนี่ก็เลยไปชาวบ้านเขาลงไปมดก็ไม่สวนจะเมียก็มาพอเมียมา เห็นหัวเนี่ยถูกตัดขมหมดเนี่ยเมียถือตามาแต่วันไกิผัวถือป๊อปป๊๊อปอปแยงมากว่ามันปากแเราพน้องผ่านนี่เจมันมาปิดประตูก่อนนะไปทำไมว่าเดินมาพอจะเห็นหัวล้านทอนนั้นลนะซี่ไปที่นี่นะอ้าหัวเป็นแยงมากนะเมียก็บอกไปปิดประตูไปทำไมว่าบอกไปปิดประตูว่านะเกินไป มานะมันเกินไปเมียหรอเอาหัวเป็นยังน่ะเอาไปปิดประตูเจ้าป่ากา้อนพนะีก็เลยไปเปลียตัวเรื่องนี้เขาบอกว่าอัสมิมาณสะเอตังเวปนังมังสุค น, นมีทิฐิมานะนี่จะแย่นะมานะความมานะเยอะยิออย่งจะถือถือตัวถือตัวแล้วมันหนักหนักจุเท่าว่าผมหายก็ยังเฉยเลยเนี่ยะเห็นไหมเมียก็เหมือนกันหมามานกินข้าวก็เฉยเพราะมันมานะเยอะไง นั้นยอมไม่เป็นใจเย็นไม่ได้อ่มันเย็นไม่ได้มันทิฏฐิมานะนั้นต้องให้มันเย็นเย็นใจเนี่ยอย่ามีิจฉะมานะหลายทําไปเถอะมีอะไรทําก็ทำเราไตาเห็นกูบาเหาะกูบามินเนี่ยตัวเล็ก ๆ, ๆกูบาเขาไม่ใช่อะไรเขาก็ขยันปะเนโนยเนี่ยเขาไม่มีทิฏฐิมานะใจดี จิต ด, ดีใจดีฮะใจดีใจสบายทำได้สบายดีวันนี้ไปดึงไม้ไผ่นั้นออกมาครูบาไม่มีเลยสั่งแม่ชีขึ้นไปต้นไม้นั่นว่ะดึงมาแม่ชีก็ใช้ง่ายนะปีนขึ้นต้นไมนะ้ดึงไม้ไผ่ออกมาได้เก่งเลยนะสู้ได้หรือไม่ได้ใจสหาหัสปากัดกลั่อยไม่ถ้อยนี้นะ ม ด, มดเอ๋ยมดแดงเล็กเ็กเดี่ยวแรงแข็งขยันจำบทอขยน <c oughs> ัขยนแต่ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันแหละนะฮถ้าเรายอมเป็นเย็นสบายอันนี้เอาเขาอาบน้าก้อนกสร้างบางคนไปยืนรอนะเวลามันอาบน้าได้เวลาอาบน้ำวิ่งหนอ่อยลุ่ตาจะตีแต่ครั้งนี้ยังไม่ออกมอาอีกเคาะปึ้งปัป้งปงโอ้จ้าหน้กูจิกำขี่ฟาดออกไปโดนนี่เพยังว่าเนี่ยให้กูแล้วสก้อ น, นมาซางเมียมากูหลอกไปเสียต่อไป เห็นไหมมันล็อกประตูไว้เฉยแล้วก็เดินไปทางอื่นเนี่ยโมจักกูด็อกเนี่ยเห็นไหมมันมีอัศมิมานะไหนเขาเข้าก่อนกันแล้วไปกือช่างเขาเถอะจะเป็นล็อกประตูเขาเนาะเขาใครเปิดประตูนีน่ไม่รู้ออกมาก็เกิดอารมณ์เสียได้ทีนี่เนี่ยมีโยมหนึ่งมาปฏิบัติธรรมไม่รู้จักเนาะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมรไปไปทัวไปเที่ยวบ้านนอกเนี่ยประตูนี่เขาปิดเข้านอกปิดเข้าไปเนาะ แต่ถ้าในเมืองนี่มันต้องผักเข้าข้างในได้ไม่ใช่ดึงออกมาเนียผักเข้าข้างในเวลาเราจะออกมาก็คือดึงเข้ามาเนี่ยแล้วค่อยออกไปแกไม่รู้พอเข้าไปในประตูเกงก็เข้าไปดีอะรถบัสเขารีบวิ่งจะเข้าไปแต่พอออกมาเกงดันแล้วมันไม่ออกนะี่ยประตูไม่นี่ออกเพราะอะไรไม่เปิดไม่เป็ น, ปนจริงๆคือต้องดึงดึงมาอย่างนี้เราอยู่ในห้องนะดึงมานี่แล้วค่อยออกไป ดันนี่ก็ไม่ออกร้องตะกลแย่เล่นกับกูเด้อมันว่าเอ้าเอ้าเมนไผเป็นอะไรเนนี่ยวะมันมันเล่นกับกูเด้อนี่นะปล่อยนะมันเล่นกับพอมึงติบมันนะเอ้ามันเปิดประตูเพเป็นเผดว้อยๆอยู่ในห้องน้ําพ๊บรู้ตาว่าเขาเป็นอะไรของเขาเนาะวอยๆอยู่นะยาเด้อมันว่าเปิดเดี๋ยวนี้มันว่าดันตึงตึงตึ้งตึ้งอยู่นะ เพามันเป็นย่างหรอกแต่ว่าไปเบิ่งรู้หน่อเราเป็นอย่างนั้นหรอวะนี้เปิดว่าจะเล่นกระพรอมมึงเดา้งพูดออกมาได้ไงว่าจะเล่นกระพรอมมึงตัว น, นี้ปิดเจ้าของจริงๆก็คือดึงออกแล้วมันก็ออกมาได้นะอันนี้มันดันออกอยู่นะมันไม่ออกนะนะมันไม่ออกแล้วยังวุย่ยวา อ, อีกตางหากนี่นาเด้อเปิาเดี๋ยว น, น, นี้ไ่เ อ, อพอคนไปแล้วเขาไปผักเข้าไปเอา้าวจะว้่ไว้ยอย่างนัน อย่างนี้เราบนน้อยๆคงจะคิดได้เอ้าเจ้าเป็นอย่างลุงป่ะเนี่ยนี่โผล่ป่ะเน่ยอย่ามาแกล้งกันเด้อไมอใกูมันรุ่นพ่อสูบปุณณ์เนี่ยไม่ไหวพูดออกมายังเอาอีกมาเดิมกูมันรุ่นพ่อสูบปุณณเนี่ยเขาก็เลยขึ้นมาบนรถเขาก็คุยกันแล้วก็หัวเราะกันน่ะเป็นทอลออฟเดทาวแล้วเกินไปเอานะมันไม่รู้ไงยังมีทิฏฐิมาณฑ์อีกต่างหากนี่ นั้นคนเราเนี่ยมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ปล่อยวางไม่ได้ยังมีอยู่เขาว่าคนสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ค่อยเข้าใจกันนะมันแต่อยากเล่าเรื่องพระกรรมฐานให้ฟังพระกรรมฐานองค์หนึง่งอันนี้เป็นนิทานเซนนะไปทุดดงกับพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นคนรู้ธรรมะแต่พระลูกวัดไม่ค่อยรู้ธรรมะ ไปทุดงไปทีนี้ไปมีงานรื่นเริงสนุกสนานที่แห่งหนึ่งแหะแต่ว่าผู้หญิงเขาจะไปทํางานงานสาสตร์พจน์งานบุญนะ่ะนะแต่ว่าขัวมันหักขัวรู้จักหัวนะขัวไม้ลําเดียวไม่ลำเดีย ว, ล, ยวล่อมหัวบกเคยไผบกพรอมแปลงบานบกเฮืองนมาไม้ขัวพลาดแต่กวนเขาบักฟันไม้ตุ้มลํำนี่หล่มตุ้มพลาด ห้วยพาดห้วยไปแล้วเดินข้ามไปนั่นเขาเรียกว่าขัวเข้าใจคําว่าขั้วไหมเข้าใจไหมเออเข้าใจบ้านเราเรียกว่าสะพานะแต่สะพานมันมีหลายแบบอันนี้เป็นขัวผู้หญิงเขาเนี่ยเขาไม่ถนัดเขาต้องสายยาวเลยจะข้ามเนี่ยมันกระไลยอยู่แนละ้วมันสูงไปเนี่ยมันจะตกลงไปเนี่ยร่วมงานเทศกาลนะเนี่ยหลวงพ่อพาคะนั่งสร้างจังหวะอยู่ อยู่บนฝั่งก็นั่งปฏิบัติธรรมกับลูกศิษย์แข่งขัดมากหลวงพ่อจะซ้อลูกศิษย์ให้แข้งขัดในวินัยอย่งังไงลูกศิษย์เปี้ยเลยวินัยเนี่ยทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดผิดไม่ได้ศีลเนี่ยหลวงพ่อเห็นโยมเ ย, เย็นๆก็อมองเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้มันติดน่ะมันติดเรื่องศีลเรื่องอะไรมากเข่งขัดเรื่องระเบียบวินัยเกินไปแล้วเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมปฏิบัติมาจนป่านนี้ยังไม่รู้แจ้งอีกเพราะมันแข้งขัดเรื่องวินยัยไปิฏิบัติคนไม่ประเคียนไม่ได้กินเนะี่ย เขาโบประเขีนบริเวณชั้นหดเขาต้องคนมาประเขีนคือพระถ้ามายุดตัวไปนะพระบินบาทว่าบ ร, ารเิเวนเขาต้องไปตามหาย่มลวงตาเคยไปอยู่กับพระท่านตามหายมอยู่ตามทุ่งนานมาประเคียนก่อนค่อยได้ฉันนั้นก็ไม่ได้พิษอาบัตโ้ยากมากเอาไปมาก็เลยหลวงพ่อมองเห็นหนึ่งเขาเลยยทำในก็เลยเดินไปยมจเจริญพรยมจะไปไหนหนอ จะข้ามน้ำหลวงพ่อหนูจะข้ามน้ําไปงานรไรงานบุญนี่กลัวไม่ทันทําไมไม่ข้ามโอ๊ยกลัวตกหลวงพ่อแล้วมันช้านเวลานั่นเนี่ยทํายังไงมาหลวงพ่ออุ้มไปแม่มันลงน้ําได้แต่ว่าหลวงพ่อต้องยอมเปียกคนนี้เขาจะลื้อขึ้นมาไม่ได้เพราะพระนั่งอยู่สององมันไม่เหมาะสมหลวงพ่อมานนิหลวงพ่อก็อุ้มเอาอุ้มแล้วเขาไปขึ้นไปบนฝั่งถนนเดินมาก็วางฝ่ามือตบก้ไป ฟ้าลูกศิษย์เห็นตกใจเลยเหงื่อแตกภาคๆไทยหลวงพ่อคูผิดวินัยอ่ะสอนกูทุกวันเลยมีแระเปียบมีวินัยผิดตามปัดจาก น, นู่นนะนี่กนทำให้ทาแบบนี้อธิบายไม่ได้หลวงพ่อก็กลับไปแล้วก็ช่วยธรรมดาลูกศิษย์ตกแล้วเนี่ยมันเข้ามาแล้วเริ่มแบกแล้วที่นี่ติดตายตายตาตาตายหลวงพ่อมาเนี่ย อย่าเดินร่วมทางกันเลยชีวิตเนี่ยกับพระอาบัติเนี่ยไม่เอาละเป็นอัศมิมานะขึ้นมาเรายึดอะไรเป็นทุพเพราะนั้นวันก่อนพูดเรื่องอะไรเรื่อ ง, งหลวงจีนหลวงศีลเหลอให้ฟังนั่นก็เป็นอัศมิมานะะหลวงจีนหงเสียนน่ะก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมนะน่หลวงจีนนอันนี้ก็เหมือนกันนะหลวงจีนหวงศิลคือความเป็นมาของจิ้งหรีดทองนะที่ลองจีจ้แจกจีจกนะ้แจงนี่ก็เกิดเป็นแบบนี้ก็เลย นอนไปสักคืนหนึ่งตื่นมาก็ไปออกเดินทางสบายบาทให้หน่อยบอสะพายเอาโหลดไปนะแต่ก่อนนัอุ ป, าอปถากภระุปถมหลวงพ่อดีดีพ่มองว่าท่านเป็นพระหลานต่อมานี่ไม่ใช่ละหลวงพ่อก็คือคนมีกิเลสตัณหาเราเหมือนเราดีๆนี่เองอะไม่เอาไปบิณฑ บ, บาไตไหมตามๆกันไปก็ไม่พูดนะ ให้ถือบาดก็ไม่ได้เสียจแล้วก็ให้ล้างบาดก็ไม่ได้แต่ก่อนเคยเอาผ้านั่นมาให้เช็ดเอากระดาษ น, นี่ไม่ถูกไม่เอาไม่ทำหลวงพ่อเลยได้สองสามวันหลวงพ่อบอกว่มันจะหนักไปแล้วเนี่ยเดินก็ไม่มาใกล้ทุดงแบกปดด้วยกันก็อยู่ห่างๆนะแล้วหลวงพ่อเลยถามว่าเอวันสองวันนานี่คุบาเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยที่ไปอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือประวัติ การปฏิบัติทำการบรรลุธรรมของพระญี่ปุ่นเนะ่มันจะอานเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าสอนแบบเซนเธอเป็นอะไรสองสมวันนี้ไม่เห็นพูดเห็นคุยเลยนะทำให้เคร่งเครียดจังสิ่งที่พระองค์นี้พูดมากคนไปอุ้มเขาทำไมมัน <c oughs> อยู่ในใจไงไปอุ้มเขาทำไมรู้ไหมมันเป็นอาบัตนะห <c oughs> ลวงพ่อท่านก็เลยพูดออกมากว่าเอา้าข็ฉันวางแล้วนี่ เธอยังไม่วางอีกเลยเธอยังอุ้มมาอีกเหรอหลมลพ่อว่าท่านวางแล้วแต่เธอยังอุ้มมาอีกหรือพอได้ยินพวกเซนเนี่คือพอมันจเจริญสติอยู่ระดับหนึ่งเนีวพอมีอะไรที่หักงุม่มลีมันจะปิ้งขึ้นมาเลยดีเลยนะมันเกิดสว่างรู้แจ้งขึ้นมาเลยดีเลยโอ้โนี่เราอุ้มมาเหรอเนี่ยเขาเข้าใจระดับหนึ่งว่าจิตเขามันดันไปอุ้มมันไปยึดมันถือจองังหวะนั้นเลยสว่างเกิดบรรลุธรรมเลย พอปล่อยวางนาทีเนี่ยเกิดการปล่อยวางแบบฉับพลันลนะนี่เขาเรียกว่าเซนเซนคือสอนแบบให้ปล่อยวางแบบฉับพลันไม่ได้หมายว่าปฏิบัติดีปฏิพอ์บัดชอบแล้วจะบรรลุธรรมนะไม่มันอยู่ที่การปล่อยวางจิตเนี่ยเยอะเท่าไหรเป็นทุกข์ตอนนั้นนะมันนี้มีโยมคนหนึ่งครับหลวงตาโยมไม่ค่อยสบายใจเป็นเพราะอะไรโยมซื้อของมาเตรียมตัวจะถวายหลวงตาแล้วเขาวางไว้ที่นี่ เห็นไหมวันนี้ของเขาวางไว้เผอิญว่ามีคนมาถวายซของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ถวายเองคนอื่นมาถวายของเขาน่ะแล้วเขาจะได้บุญละของเขาเองแล้วนั่นมันถวายของเขาได้ยังไงอถือว่าถวายแล้วลุงตากรับไปแล้วหรือจะให้เขามาถวายใหม่ก็ไม่รู้นะบางทีโยมเขามาถวายยังไม่ถวายเลยในวัดเนี่ยเขามาตั้งไว้รอลุงตามาแม่ชีหออไปเก็บแล้วในวัด หอไปเก็บแล้วะโยมเขามาโอ้อันนี้โอ้โยมอัตมารับให้แล้วว่าให้พรธรรมารตั้งจิตในตัณห์ขอยังชั่วหน่ยรอดตัวไปได้ถ้างนั้นก็จะแย่เป็นทุกข์นะเขาเขาพูดโอ้ยยังไม่ได้ปุพภะเจตนาก็ยังไม่มีมุนชนะเจตนาเจตนาในระหว่างก็ยังไม่มีนะปุพภะเจตนาเจตนาก่อนก็ยังไม่มีอัปร ป, รประเจตนาอัปรประเจขาเรียนเดี๋ยวพองยุบ ม, มาเขาจะสอนเรื่องแบบนี้ดีมากสอนเรื่องกันให้ทาน องค์ประกอบของกันให้ทานมีอะไรบ้างจะมาไล่จิตก่อนให้ทานหลังใหนนะ้ทานอะไรปรนี้อันนี้คนอื่นต้องถวายไปแล้วมันจะได้บุญเลยจย่างวันนี้นะเรงตาได้ได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้บุญก็คือเป็นที่ของความสุขเป็นที่ของจิตใจเรานะั่นแหละนะถ้าเราปล่อยวางได้ก็ได้บางทีมิน่ำซ้ำคนที่มาช่วยถวายเนี่ยต่อไปจะได้เป็นบริวารเราด้วยนะบริวารสมบัติเนี่ย แต่ก่อนมีโพคสมบัติบริวารสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมันจะได้เยอะนะฮะแต่ถ้าใจครับแคบเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์จริงๆเราจะมาทานเพื่ออะไรกำจัดความโลภมันถวายของกูมันถวของกูมันทุกทันทีนะเนี่ยมันทุกทันทีนะเอา้าถวายแล้วกันแล้วรถตาว่าอืมเขามาถวายเพราะอะไรเพราะว่าอบางคนเขามาวางไว้เฉ ย, เฉย นะแล้วเขาก็กลับบ้านไปเขานั้งว่าของใครก็ถวายอยืวหนูว่าหนูจะมาแตะไหวอยู่เขาถวายก่อนอนะนะนะนวรปาณนี้แอ้วนกะ็ปล่อยวางไปทํำใจรูปปล่อยวางได้ได้ยังนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮนะเชื่อเถอะใจเขาคงดีหรอกเนะขาปฏิปบัติธรรมวันนี้ดันได้สติด้วยดันรู้สึกว่าเออมีโล่งๆด้วยที่พอเขาถตะไหของกูแล้วก็โอยความโล่งก็หายไปหมดเขาว่าแล้นะาใหม่ไม่เป็นไรตั้งสติใหม่และเลือกรูปใหม่ปล่อยวางใหม่ ให้มันแจ่มแจ้งซะอะไรที่มันเป็นทุกข์ในใจเนี่ยอย่าไปสนใจมันแ่างมนเถอะแต่พยายามอยู่กับปัจจุบันเนี่ยระลึกรู้มากๆมากๆมากๆนะให้ทานเนี่ยเขาฝึกกำจัดความโลภให้ความโลภไปเรน่อยล้รือยๆไปน้อยๆเรือยๆ แ, แ, แต่มันยังไม่ถึงจิตคนไหนให้ใหสมัยก่อนเนี่ยเวลาให้ปุ๊บแล้วมันจะโล่งโปร่งขึ้นมาเหมือนโยมคนหนึ่งนะที่เขาเล่าเรื่องบุญกระถินเนี่ยไม่มีผ้านุ่ง มีแต่ผ้าไปหยิบมาได้จากศพผืนสั้นๆเองน้อยๆเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีปีนั้นท่านเศรษฐีทําบุญกระถินจะถวายพระพุทธเจ้าไปจองไว้แล้วก็เลยทําบุญกระถิ่นทำไปทําทมาเขาก็นึกถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยมีแค่ผ้านุ่งอันนี้อยู่ในกระต๊อบน้อยๆกับภรรยาบางทีตนเองจะออกไปทํางานวันนี้ก็ตนเองเป็นคนนุ่งผ้าอันนี้ข้างบนไม่มีนะเปลือ่ยออกไปทํางาน เมียก็อยู่บ้านอยู่กบับต๊อปแต่วันพวกนี้ให้เมียออกไปทํางานปรญยาไปทํางานก็เมียเป็นคนนุ่งอันนี้แล้วก็ออกไปมันนึกถึงว่าชีวิตนี่ที่มันเป็นทุกปัจจุบันนี้ที่มันจนมันยากจนมากเนี่ยเพราะมันไม่ได้ทําบุญทาทานน่ะอยากก็นั้นเลยท่านเศรษฐีตั้งบุญกระถินเนี่ยเราควรจะไปถามเขาเพื่อเราอยากทําบุญทาทานของเขาว่างอ่ะเราไม่อยากกินบุญเก่าเพราะบุญเก่ามันหมดแล้วะเลยไปถามท่านเศรษฐีท่านเศรษฐี เขาเป็นคนอิสาขนขะาน้อยอยากเที่ยวญปุ่นมานะในประเทศอินเดียโน้นนะว่าบนะวชคักว่าว่าสะทยนี่ก็ได้ อ, อยากทำบุญํำทานด้วยทำไงหนอมีอะไรได้ทำบุญํำทานบอกเอา้าของให้ทานนี่อย่าไปหยิบยืมมานะต้องเป็นของส่วนตัวเนี่ยมีเงินบ้างไม้มก็ไม่มีไปอยู่กับท่านสิรธฐีเพระได้กินเขาไม่จ้างก็ อ, อยู่เขาเพราะได้อยู่ได้กินไปบวัน ท่านเศรษฐีว่าเอาอัฐบริหารแปดอัฐแววแปดอัฐบริหารแปดต้องให้ครบชุดในอัฐบริหารแปดเนี่ยบูชาคนละนันนะจะได้บุญเยอะแล้วทีนี้จะเอาอะไรเ่ะมันไม่มีอะไรคุ้มค่าซื้อผ้าไตเลยผ้าไตก็ยากเกินไปอ่ะบาทเลยบาทก็ยากเกินไปสาหรับคนจนแบบนี้นะท่านเศรษฐีเลยว่าอเอางี้ก็แล้วกันเอาที่ราคาน้อยที่สุดน่ะเอาเข็มเล่มหนึ่งซะถวายเข็มเล่มหนึ่งซะชีวิตเนี่ย เข็มเล่มหก็คิดมากแล้วไปเอายังไงนาะเข็มเล่มหนึ่งก็กน ะ, ออนะน ก, นะกี่กะหาปณ ะ, ะเนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีนะกะหาปณะนะมีรูปีรูเดือนะ ม, มาตาเงินเขานะมีอุสภะก็มีมาตาแทกกิดินมาตาแทกกิดินมาตาวัดที่ดินเนี่ยมีอุสภะวายุหะกาลณะมีอุสภะพะหมายว่า ชั่วความยาวชั่วชั่วงัวร้องอุสะพะงวมันห้อง oh. มันถึงไหนเนี่ยนี่คือความยาวของมาตาวัดของเขาอุสภพะทีนี้ถ้าสามอุสภะก็สามห้องสามโตนะเอาตัวหนึ่งไปยืนอยู่พุ่นตัวนึ่งยืนปุ่นมันห้องดังฮองดไสนั่นแหละหนึ่งมาตามว่าไม่ใช่หนึ่งไร่หนึ่งวาเก้าสิบหกเอเคอร์อะไรเขาไม่เป็นนะอุสภะชั่วงัวงร้อง ทีนี้คนก็มาวัดใหม่ว่าช่วงโงร้องมันกี่สอกกี่ว่าแล้วกเอามาเป็นมาตรฐานว่ากี่เม็ดน่ะ น, นะแต่เขามาจากนั่นแมน่เหมือนว่าฟุตนิ้วของพระเจ้าอะไรนะของประเทศอังกฤษอะมาตาเป็นนิ้วเป็นฟุตเป็นคืบอะไรเขาเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละก็นึกถึงเอ๊ะทำไงเนอะจะมีตังให้เขานีเนาะอ๋อนึกออกแล้วมีว่าเขาเอาผ้าเราไปขายสิน เขาไปขายแล้วไปซื้อเข็มอ่ะซื้อเข็มซื้อได้ก็ตัดสินใจเอาไปซื้อเขาไปขายแต่ว่ามันคิดมากนะนี่ <c oughs> เอาดีบดีนาะถ้าไม่ไปขายแล้วเนี่ยได้เข็มมาแล้วเราไปซื้อไปเช่าผู้ชาเข็มให้ท่านเสียทีเนี่ยแล้วเราจะนุ่งอะไรเนี่ยบันกรถิน่นเราจะนุ่งอะไรไปทอดญาติโยมเคยทอดกรถิ่นไหมนะเป็นคนในเมืองคน ไม่น่าจะเคยทอดกระถินนะคนกรุงเทพเนี่ยเอาเขาใช้นะ้ามันอะไรเอาทอดกระถินเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องนะเสร็จพุ๊บก็เลยตัดสินใจเนะี่ยคิดกันสองคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอยากเอาชนะความโลภนี่นะคิดทั้งคืนคืนหนึ่งแล้วไปสองคืนแล้วไปท่านเศรษฐีว่ารีบตกลงใจนะนะถ้าตกลงใจแล้วก็บอกนะถ้าตกลงใจไม่ได้ก็ เศรษฐีจะเอาเองไงนะนึกไปนึกมานึกคืนที่สามเลยเป็นเจ้าภาพดีหรือไม่ดีใายดีเนาะเอาไม่ดีเนาะผ้าเนี่ยว่าขายดีหรือไม่ดีนี่เราจะนุ่งอะไรเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปทอดกระถิ่นก่อนหรือคิดหลายตลบคิดไปคิดมาขายพวกขายขายพวกขายเอาเปล่าเอาอเปล่าคิดไปดมาเอาบันะขาย นะพอขายเขารู้สึกว่ามันเป็นภาระที่รุนแรงมากที่เกิดจากจิตเขาคือเขาตั้งใจว่าเอาชนะจิตอันนี้เนะี่ยจิตที่มันตันีเนี่ยมันโลกหรือมันตันีเนี่ยมันสู้กันมาสามคืนนู่นแนหะขายรบว่ขายขายหรือบว่ขา ย, รขายสระหรือไม่สละสระหรือไม่สละเนี่ยอยู่ๆเขาก็ตะโกนขึ้นมาแตนน่ดีเลยชิตังเมชิตังเม่กูชนะแล้วชนะแล้วโอ้ชนะแล้ ว, ลวเราชนะแล้วชนะกิเลสอันนี้นะ่ะ ชีตังเมชิ้ตังเมเนชนะแล้วเห็นไหมคือมันสู้กันมาตั้งนัง้นอยู่ๆก็หลุดพวไปเลยภาวะที่เขาต่อสู้กับความคิดทั้งคืนนี่น่ะพอมันหลุดนี่เขาเป็นโสดาบันเลยนะดูดิของเขา้าแบบพวกอื่นถาวายเท่นกันคืดน้ำเติมไปอีกอยุกเขาแค่เข็มเล่มเดียวเนี่ยส่งผลให้เขาเป็นโสดาบันเลยดีใจแล้วเขาติดอารมณ์นะชนะแล้วชิตังเมชิตังเมชิตังเม โอ้ยชีตังเมมเมียก็ว่าตามไม่ชีตังเมมกันตอนนั้นพระเจ้าประเนสนยุกุชนมาแต่เป็นลบได้ยินได้ยินเสียงมาว่าท่านไปชนะศึกมานะแต่มาที่นี่ผ่านกับท็อปของคนตรงนี้มันยังบอกว่าเราชนะแล้วเราชนะนะยังมีใครชนะอะไรอีกเนะี่ยก็เลยไปถามดูไปถามไปเรียกมันนี่จับมันออกมาดิถามมันนี่มันชนะเลยพอเล่าให้ฟังพระเจ้าปรเสนยุคุศนทราบถูกอนุโมทนาด้วยกับเจตนาของเขาเนี่ยก็เลยมอบผ้าใหม่ให้เขาอีกเลย คนละห้าร้อยชุดห้าร้อยผืนเลยเนี่ยเขาว่าเอาคนละผืนก็พอผัวกับเมียนแล้ววอ500วยอีกห้าร้อยตัวคนใช้อีกห้าร้อยแล้วปรับให้เป็นเสียทีใหม่เลยผลจากความเป็นทาตมาเป็นไทยผลมันเกิดทันตาเห็นนะอันนี้สงศ์เนี่ยก็ได้ได้ของเราทุกวันนี้ก็ยังคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะยังจะถวายทนยานอะไรของหลวงพอ่อบ่มีใบเสร็จเนติ บ่มีใบอนุโมูธน้าเนี่เยเสี๊ยสี่เปรือนรถยนไาสีนี่พันธุ์งูนี่โอ้ยแล้วมันจะได้บุญอะไรอันนี้เราคิดหลายต่อจังนะทําแล้วก็ทําแบบสว่างไปเลยไม่ได้หรือเพื่อจะได้ขึ้นมากเนาะอันนี้มันก็เลยบ่พ่อสิเป็นห้ย น, น่ะนะมันยากเขบาบ่ปล่อยบ่ว่างเราไปมันก็เลยยุ่งยากนะชีวิตเนี่ยก็เลยไม่พอจะเป็นโสดาบันน้ำเขาเจ้าเถื่อได้เป็นแต่โสดาดัน หลวงพอ่องว่วนหนาบอมา น, มนหนูโม่ชนะอีกได้ขัน บ, บ่ได้ใบอันนี้ไหมไม่ไหวหลวงพ่อก็โอ๊ยบอมีปัญหาดอกเง้ยเออจะไหนจังเอาพ่อหนาแต่ก็มาจิตก็จะเป็นแบบนั้นนะ่ะมันไม่เหมือนเขาเขาเนี่ยชี้ตังเมชี้ตังเมเนี่ยมานะ่ะความถือความคิดว่ากูมีกูได้กูเป็นมันไม่ปล่อยไม่ว่าแค่ให้ทานเนี่ยทานเนี่ ย, น เ, น ย, น เ, นยเป็นมานะ่ะตื้นๆเกี่ยวกับวัตถุแต่อาศวิมานะเป็นเรื่องของจิตใจเองนะมันอกไม่ได้ นี่พอมันออกได้มันโตขึ้นนะดีเนี่ยยิ่งถ้าอันสุดท้ายเนี่ยสุขาวิราคตาโรเกกามานังสมติกโมกสุขาวิราขตาการดับราคะสุขาวิราคตาปาสจากกำหนัดความปราศจากกำหนัดความก้าวล่วงกามทั้งหลายในโลกเสียได้คือความใคร่ความอยากเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขนะ่ย เป็นบรมสุขมันดับไงดับได้ดับราคะวิราคะความคลายกำหนัดนิพพานเนี่ยวพจพ์ของมันก็คือวิราโควิราโคเศรโถธรรมานังวิราโคอนาลโยเนี่ยความสิ้นกำหนัดนิพพานเนี่ยเป็นศัพท์เดียวกันนะความสิ้นกำหนัดมันไม่กาหนัดมันก็ไม่ขาดเครืองถ้าเรายังกำหนัดอยู่มันก็จะขาดเครืองนะ สุขาวิราคตาความคลายกำหนัดความสิ้นกำหนัดวิราคะราคะคือกำหนัดวิราคะคือสิ้นกำหนัดกามานังสมมติกโมการไม่ยึดติดการไม่ผูกพันในกามทั้งหลายในโลกเสียได้เป็นบรมมาสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเด่นเรามีความใครนอกจากทิฏฐิมานะแล้วก็มีความใครายความอยากอยากได้อยากเป็นอยางมีอยากในราคะอยากในความสวยความงาม คือยังมีความหลงอารมณ์อยู่ลึกๆนะยังผิวเผินก็ตามนะทีนี้ความไข่ในจิตเราออกหมดแล้วอา น, นิสงส์ของสติปัฏฐานตัวหนึ่งก็คือดับราคะราคะราคะมันออกหมดทั้นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยหนึ่งสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตาบรามาตนะลาโลภ ะ, ะโลภะโทสะโมหะ ดับพวกนี้ได้ไอ้ตัวพตัวนี้มาถึงตัวนี้จึงเป็ <av i> <aya> นอุทะจักุกุจจมมานะรามกามราคะอุทะจักุกจจะอวิชาเนี่ยตัวราคะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆจะบรรลุอรหันต์เนี่ยพอสลัดอันนี้ปุ๊บก็กลายเป็นคนสิ้นพบสิ้นชาติขึ้นมาทันทีย มันความสุขในพุทธธรรมเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเขาไม่ได้พูดเลยว่าสุขเกิดจากการอยู่การกินการหลับการนอนการสุขการสบายบริเโลกอันนั้นมันเป็นของแบบเดรัจฉานเป็นของสัตว์ที่เขาทากันมันก็เพลิดเพลินแต่ความสุขในพุทธธรรมเนี่ยคือการเข้าถึงทําการสลัดความทุกข์การสลัดอารมณ์สลัดความยึดติดความปรุงแต่งความหลงอารมณ์ความเพลิดเพลินอยู่กับสมมติเนี่ยมันไม่มีแล้วในนี้มันสลัดออกไปแล้ว มันก็เป็นความรู้ตื่นเบิกบานความแจ่มแจ้งนะจน ก, กระท้องมากลายเป็นว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานพิพานเป็นบรมมะสุขจริงๆคาว่านิพพานเนี่ยมันไม่มีอารมณ์นั้นคนที่มีความสุขคือคนมีอารมณ์ที่ยังมีอารมณ์อยู่จึงถือว่ามีความสุขแต่คนที่สิ้นทุกข์ก็คือคนไม่มีอารมณ์แล้วแต่พระพุทธว่าอันนี้คือสุข สุขแบบไม่มีเชื้อแบบมันไม่มีเชื้อให้เป็นทุกข์คนชอบพูดนะโอ้ยสวงสดค่ะความสุขสวงสดค่ะความสุขสุขในพุทธศาสนาคือหมายว่ามันเป็นเหมือนว่าเราเป็นโรคอย่างนี้พอ เ, เป็นโรครักษาโรคพอโรคหายเป็นยังไงมีความสุขไหมมันไม่ใช่มีความสุขแต่มันไม่ทุกข์ยังเอาความโกรธออกอย่างเนี้ย เอาความขี้เกียจออกนี่ความเบื่อความหนายความง่วงความเงาความง่วงเนี่ยเราถามว่าง่วงแล้วมีความสุขมากได้หลับแล้วมีความสุขเนี่ยมันสุขมากนะไอ้ง่วงเนี่ยแต่คนที่เอาความง่วงได้มันก็มีความสุขยิ่งกว่าหรือไม่ใช่มันมีความสุขแต่ว่ามันไม่ทุกข์เพราะความง่วงมันไม่ทุกข์เพราะความง่วงอย่างคนที่เป็นโรคประจําตัวมาโรคหิตโรคกาดโรคอะไรมานานอยูยูก็เกิดหายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสุขไหมมันไม่ใช่มีความสุขแต่มันไม่ทุกข์เพราะอนันตอีกแล้วนี้ จิตของเราก็เหมือนกันเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาจะมาเอาความโลภความโกรธความหลงเอาอัตสมิมานะเอาราคะอะไรออกจากจิตแท้แล้วจากนั้นก็เป็นความสุขขึ้นมาโดยธรรมชาติมันมีแบบนั้นเน่ยเรามาปฏิบัติธรรมนี่ชื่อว่ามาเดินตามเส้นทางของผู้รู้ทั้งหลายนะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาทําตามนั้นเดินตามทรงนั้นทางไปสู่ที่มันไม่มีโรคไม่มี ทิฏฐิไม่แม่นะไม่มีทิฏฐิไม่มีนะมานะไม่มีการเบียดเบียนตัวเองนะไม่มีราคะมากำหนดย้อมใจให้เราเกิดพอใจไม่พอใจเราเข้าใจแบบจแจ่มแจ้งแล้วว่าอันนี้คืออ น, นิจจังพอเข้าใ จ, จแจ่มแจ้งมันก็ดับไปมันก็หายไปสมมติภาวะทั้งหลายไม่เกิดกับจิตเราทั้ง อ, อกทั้งใจนะวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับยญนณทั้งหลายตอนนี้สามทุ่มบดีแล้วขอสี่ที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ จงเป็นภาร ะ, ะปัจจัยอุดหนุนเกือ้อกูลดวงจิตของเราให้กลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดเป็นผู้จาศจากอสมิมาณเป็นผู้ปราศจากความเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้มีปัญญาสามารถชำแน ก, กิเลสดับทุกได้ ในเวลาอันใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเกินเอา้าเตรียมตัว